เริ่มต้นขึ้นมาก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงถามตอบนะเรามานั่งสมาธิร่วมกันก่อนถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์ในการเจริญสติเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่นาทีนี้ไปนะที่เรียกว่าเรานั่งสมาธิจริงๆแล้วก็คือการที่เราจะมา ตั้งมุมมองกายใจในอีกแบบหนึ่งแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไวนะ้นั่นก็คือว่าทําให้เกิดความรับรู้ว่าที่เรายึดยึดมาตลอดว่ามันคือตัวเราที่เรายึดยึดมาตลอดว่ามันเป็นของเราจริงๆแล้วมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ถ้าหากว่าเราเห็นความไม่เที่ยงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยความด้วยความมีมุมมองที่มัน ตรงตามปรากฏจริงๆนะในที่สุดแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปใหม่ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าว่าแต่เป็นเราเลยแม้กระทั่งเป็นตัวของมันเองเนี่ยมันยังรักษาตัวของมันไว้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นภาวะจริยาบทไม่ว่าจะเป็นภาวะสุขทุกข์หรือภาวะสงบปุ้งซ่านหรือภาวะนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถเห็นได้ ภายในขอบเขตของกายใจนี้มันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ทั้งสิ้นตั้งต้นมาเราจะไม่ไปพยายามฝืนใจนะหรือว่าไปพยายามเพ่งบังคับให้อลมหายใจเป็นอย่างไรไม่พยายามที่จะไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือว่าสัมมาอรหังอะไรทั้งสิ้นนะแต่เริ่มต้นขึ้นมาเราแค่สํารวจ ความพร้อมของร่างกายก่อนดูว่าร่างกายกำลังอยู่ในภาวะพร้อมจะเป็นสมาธิหรือว่าพร้อมจะเกรงพร้อมจะกรรมเริ่มต้นจากฝ่าเท้าที่เราวางแรบอยู่กับพื้นถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยนะเวลาที่เรากาลังฟุ้งซ่านอยู่มากๆหรือว่ากาลัง เกิดความเคร่งเครียดในการงานหน้าที่หรือว่ากาลังทะเลาะบ่อแววงกับใครอยู่เนี่ยป่าเท้ามันจะสะท้อนให้เห็นเลยถึงอาการของใจที่มีความเกรง็งที่มีอาการกำแน่นนะโดยสะท้อนด้วยการจิกนะเอาหัวไม่โป้งจิกพื้นบ้างหรือว่ามีอาการงอมีอาการงุ้มนะลงสู่ความ ไม่สบายเท้าสูความเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันรัดมันตึงมันแน่น่พอเรารู้สึกถึงภาวะของกล้ามเนื้อเท้าที่มันยังทำงานอยู่นะแล้วสามารถที่จะทำให้มันมีอาการผ่อนพักสักแต่วางราบอยู่กับพื้นโดยไม่มีอาการเกรงไม่มีอาการฝืน ก็จะเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาที่พื้นจิตพื้นใจทันทีถ้าไล่สำรวจสังเกตขึ้นมาฝ่ามือที่วางอยู่กับหน้าตักถ้าหากว่ามีอาการกรรมถ้าหากว่ามีอาการเกรง็งแล้วเราผ่อนคลายออกก็จะเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาครึ่งตัวถ้าไล่สำรวจสังเกตขึ้นมา ว่าทั่วทั้งใบหน้าของเรามีมัดเนื้อตรงไหนไหมที่มันขมวดอยู่ที่มันตึงอยู่แล้วคลายออกตรงนี้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นมาทั้งตัวเพราะว่าแกล้มเนื้อทุกจุดในร่างกายเนี่ยนะผูกพันอยู่กับสามจุดหลักๆนี่แหละฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าถ้าทั้งสามสามจุดนี้มันผ่อนพักผ่อนคลาย มันมีอาการไม่ทำงานมันมีอาการไม่รัดไม่ตึงไม่แน่นกล้ามเนื้อส่วนอื่นก็จะอยู่ในอาการผ่อนพักตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่ภาวะพร้อมสงบพร้อมจะเกิดสมาธิคือทำให้ร่างกายมันมีความผ่อนพักนั่นเอง แค่ไล่สารวจขึ้นมาอย่างนี้นะฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าแบบนี้เกิดความรู้สึกผ่อนพักแล้วมันจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาด้วยนั่นเพราะอะไรเพราะเราสารวจเข้าไปทีร่างกายเมื่อร่างกายตอบสนองต่อการสารวจสังเกตสติมันก็เข้าไปอยู่ที่เกียรียาบทนั่งมันเป็นปัจจุบันไปด้วยเห็นไหมเกิดความรู้สึกไหมว่า เราคลายได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นฝ่าเ้าฝ่ า, ฝามือหรือว่าใบหน้าเนี่ยมันเกิดความรู้สึกเห็นขึ้นมาว่าเออท่านั่งเป็นยังไงอยู่คอตั้งหลังตรงอยู่ไหมถ้าหากว่าคอตั้งหลังตรงอยู่คุณจะเกิดความรู้สึกว่าเออร่างกายนี้นะในท่านั่งแบบนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ไม่กำไม่เกรง็งไม่ตึงไม่ขมวดอย่างชัดเจน คุณอรู้สึกถึงความปลอดโป ร, โรง่งคุณจะรู้สึกถึงความพร้อมจะนิ่งโดยไม่ต้องไปกะเก์โดยไม่ต้องไปบังคับเลยว่าขอให้ใจจงสงบขอให้จิตใจจงนิ่งแล้วเมื่อเกิดความความพร้อมเมื่อเกิดสภาพพร้อมทางร่างกายนะขอตั้งหลังตรงทุกอย่าง ทุกจุดเนี่ยมีอาการผ่อนพักแล้วจากนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเริ่มเข้าสู่อานาปานสติจริงๆนะเราแค่เหมือนกับถามตัวเองง่ายๆสั้นๆว่าตอนนี้ร่างกายอยากหายใจเข้าหรืออยากหายใจออกไหมหายใจเข้าเนี่ยนะร่างกายมันจะตอบกลับมาว่าเออมันกำลังหิวลมหายใจ กำลังรู้สึกว่าขาดลมหายใจอยู่ถ้ากําลังอยากหายใจขับแน่นในหน้าอกอยากระบายออกแต่พอระบายออกมาจนสุดนะมันไม่ได้รีบร้อนยังไม่ได้อยากได้ลมหายใจใหม่เข้าในทันทีมันสามารถอยู่นิ่งๆได้โดยปราศจากลมเข้าแล้วลมออกตรงนั้นเนี่ยนะ ที่เราสามารถรู้สึกได้ถึงความนิ่งไม่ไหวติ่งของร่างกายก็อย่าเพิ่งไปเร่งอย่าไปเร่งรัดอย่าไปทําให้มันผิดธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติไม่ต้องรีบร้อนที่จะเอาลมหายใจใหม่เข้าแต่ถึงเวลาที่ลมหายใจใหม่ควรเข้าเราค่อยลากเข้านี่ด้วยอาการอย่างนี้นะมันไม่ฝืนร่างกายด้วยแล้วก็ทําให้ภาวะของจิตใจอยู่ใน ภาวะสงบจากความอยากเป็นเพียงผู้สังเกตผู้รู้ว่าจังหวะไหนที่ลมหายใจควรเข้าจังหวะไหนลมหายใจควรออกและจังหวะไหนที่ควรหยุดลมหายใจอาการที่มีความสงบจากความอยากความกระวนกระวายเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตตามธรรมชาติ ว่าลมหายใจถึงเวลาเข้าหรือยังลมหายใจถึงเวลาออกหรือยังอย่างนี้นะมันจะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาอีกแบบหนึง่งสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ว่าลมหายใจเนี่ยสักแต่เข้าสักแต่ออกเมื่อถึงเวลาและด้วยอาการเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่มันยังสามารถเห็นได้ด้วยว่าร่างกายไม่ได้ต้องการลมหายใจย า, ยาวอย่างเดียวบางครั้งนะมันรู้สึกเต็มแล้วก็เอาเข้าแค่สั้นๆ ตรงความเห็นว่าเดี๋ยวลมหายใจก็เข้าเดี๋ยวลมหายใจก็ออกเดี๋ยวลมหายใจก็ยาวเดี๋ยวลมหายใจก็สั้นมันกลายเป็นสมาธิเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจขึ้นมาคือมีความนิ่งความว่างความโล่งจากอาการอยากเห็นแต่ว่าลมหายใจมันขผลัดกันเข้าผลัดกันออกแล้วบางครั้งก็สลับกันยาวบางครั้งก็สลับกันสั้นตัว ภาวะของจิตที่มีความตั้งมั่นรู้อยู่เห็นอยู่ว่าลมหายใจทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนะตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตผู้รู้แค่สังเกตลมหายใจถูกต้องอยู่ได้แค่ไม่กี่ครั้งนะมันจะเกิดสมาธิมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาแล้วแต่เป็นจิตผู้รู้ผู้เห็นแบบอ่อนๆด้วยความสว่างด้วยความสงบด้วยความรู้ ถึงภาวะทางธรรมชาติของลมหายใจที่ไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะเรายังได้เห็นต่อไปด้วยถ้าหากว่าคลื่นความปุ้งสซ่านคลื่นรบกวนมันโผล่กลับเข้ามาเราก็เห็นมันเป็นแค่ระลอกคลื่นรบกวนที่โผล่เข้ามาแล้วก็หายไปไม่แตกต่างจากลมหายใจเข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าคุณปุ้งสซ่านขนาดที่ทําให้กล้ามเนื้อมันเกรง็ง ก็กลับไปนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นเนี่ยไล่สังเกตขึ้นมาฝ่าเท้าเกรงไหมมันคลิ้มันฟุ้งซ่านจนกระทั่งเครียดที่กล้ามเนื้อเท้าไหมฝ่ามือมันมีอาการกำอยู่หรือเปล่าใบหน้าส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการขมวดไหมมีอาการตึงไหมไล่สํารวจสังเกตมาหรือถ้าหากว่ายังฟุ้งซ่านอยู่มากอาจจะไล่สังเกตไปทุกลมหายใจเลยก็ได้ หายใจตีแล้วสารวจทีป่าเท้ายังอยู่ไหมป่ามือยังอยู่ไหมใบหน้ายังอยู่ไหมจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าที่เกิดความนิ่งเนี่ยนะที่เกิดความโล่งที่เกิดความว่างเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีความสามารถอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าเราสังเกตความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงไปของลมหายใจจนกระทั่งจิตเกิดความสงบเกิดความระงับจากอาการอยาก ไม่ได้อยากให้ลมหายใจเข้าไม่ได้อยากให้ลมหายใจออกไม่ได้อยากให้เกิดความสงบแม้แต่ความฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นมาเราก็เอาหมดนะดูหมดดูไม่ดูมันไม่ต่างจากลมหายใจที่เข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาไม่ได้ดูด้วยความอยากจะให้ความความฟุ้งซ่านนั้นมันสงบระงับไปการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนับแต่ลมหายใจท่านั่งไปจนกระทั่ง ความคลื่นความพุ่งซ่านที่ปรากฏในขอบเขตกายใจนี้มันเกิดขึ้นแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปโดยไม่เกิดความอยากไม่เกิดความกระวนกระวายไม่เกิดการเร่งรัดอันนี้แหละที่เรียกว่าพุท ธ, ธิปัญญามันนิ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ว่าอะไรอะไรพอเกิดขึ้นแล้วต้องหายไปเป็นธรรมดา แล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไปให้ดูบ่อยๆหายไปให้ดูเรื่อยๆจิตมันเกิดความฉลาดขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเองว่าเออนี่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วยลมหายใจที่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดียยเด๋ยวยาวเดี๋ยสั้นเนี่ยมันไม่เห็นจะมีมโนภาพความเป็นตัวเราตรงไหนมีแต่ลักษณะพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกแม้แต่คลื่นความพุ้งสั้นที่ปรากฏขึ้นมาในหัว มันเหมือนกับฝุ่นทรายซัดเข้ามาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็หายไปเหลือแต่ใจโลง่งๆว่างๆใจโลง่งๆว่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตถึงความรู้สึกถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันจะบอกว่าเป็นสุขรู้สึกสบายรู้สึกว่าเออไม่ดินดน้นรนไม่มีความแกล้งแกว่งไม่มีอาการทะยานอยาก ถามว่าความสุขความสบายแบบนี้เนี่ยความโล่งความว่างแบบนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็สามารถตอบได้จากตัวภาวะที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยว่าแป๊บหนึ่งคลื่นความผงซ่านมันก็ซัด ก, กลับเข้ามาใหม่หรือความกมความเกรงมันเกิดขึ้นใหม่ภายในขอบเขตของกายความสบายมันก็หายไปหรือลดระดับลง อันนี้แหละที่เรียกว่าความไม่เที่ยงของความสุขความไม่เที่ยงของความสบายเราแค่ดูมันเฉยๆดูอย่างยอมรับไม่ใช่ดูอย่างเสียใจว่าความสุขที่เราได้หายไปแล้วแต่เห็นว่าความสุขที่เกิดขึ้นมันหายไปให้เห็นให้เปรียบเทียบเราจะได้ไม่หลงยึดว่าเออเนี่ยความสุขนี้เป็นเราเป็นของเราถ้าเห็นบ่อยๆในขณะทําสมาธิว่าความสุขความสบายความเบาวความโล่งเนี่ย มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่หลงยึดแม้ความสุขอื่นๆที่ปรากฏต่อใจความสุขอื่นๆเนี่ยที่มันหยากกว่านี้ไม่ประเนีดเหมือนอย่างนี้นะมันยิ่งแสดงความไม่เที่ยงเร็วกว่านี้อีกด้วยความรู้สึกถึง อาการไม่เที่ยงอาการแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาตัวหาตนจริงๆไม่ได้เราจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าที่เรานั่งอยู่นี่นั่งอยู่กับอนัตตาไม่ได้นั่งอยู่กับอัตตาอันนี้คือจุดเริ่มต้นนี่คืออนนาปานสติที่เราจะเอาไปต่อยอด รู้เห็นอะไรอะไรอย่างอื่นในชีวิตประจําวันไม่ว่าเวลาลืมตาตื่นหรือว่าเวลาหลับตาเราจะเห็นเข้ามาอย่างนี้แหละไล่สํารวจสังเกตเข้ามานะฝ่าเท้าฝ่ามือไล่ขึ้นมาใบหน้าเมื่อพร้อมที่จะเป็นสมาธิแล้วเราก็ค่อยเจริญอาณาปานสติคือแค่เห็นว่าลมหายใจกําลังเข้าหรือกําลังออกอยู่แล้วในแต่ละระลอกลมหายใจที่เข้าออกเนี่ยเราก็สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิต โอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงของการถามตอบกันเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยนะสวัสดีครับผมชื่ออุ้มเรียกอุ้มสั้นๆเคยเจอพี่ตุลมาเมื่อสักเกือบสิบปีแล้วเคยคุยกันครั้งหนึ่ง ในงานหนังสือเหรอไม่ใช่ครับนัดสาลาลงินนัดกับเพื่อนในกลุ่มลานธรรมเจอกันที่วัดภระีมหาธาตุครับก็คราวนั้นก็ได้คุยกับพี่ตุลพี่ตุลก็ได้แนะนำวิธีว่าปกติผมจะติตค่อนข้างจะซึมฮะก็ให้อัลเลอร์อตัวขึ้นมามากๆหน่อยฮะแต่ว่าจากตอนนู้นจนถึงบัด น, นี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังมีอยู่อาการนั้น มีบ้างฮะแต่ว่าน้อยลงมากน้อยลงมากน้อยลงฮะแล้วก็<ม>คิดว่าคง ม, มีพัฒนาการขึ้นมาบ้างนะครับฮมไม่คิดแหละเมะื่อกี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอนั่งมันก็เห็นความสว่างได้นะครับคือสว่างได้เป็นมากบ้าบาละแล้วก็อาจจะมีเหมือนกับหลงๆไปบ้างถ้าเราแค่ดูว่าการหลงๆไปชั่ววูบชั่วว่าบเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งของการแสดงความไม่เที่ยง เราก็จะรู้สึกแม้แต่สภาวะของใจแม้แต่สภาวะที่เป็นนมามธรรมก็กำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ไม่ต่างจากลมหายใจนะคิดว่าสติมีผลมากไหครับนี่คือรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยสติค่อนข้างจะอ่อนแล้วก็เวลานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเวลาเหมือนกับเกือบๆจะเห็นหรือว่าจะารู้สึกถึงสภาวะอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี้ย มันมันแค่เกือบอะครับยังไม่ได้รู้สึกจะเป็นบ่อยอก็ค่อนข้างหย่อนการปฏิบัติอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมว่าพอสามารถเห็นถึงลมหายใจได้มันก็มีกำลังขึ้นมานิดนึงที่จะเห็นหน้าการบูบู้บ้าบ้เนี่ยที่จะเห็นว่าเออบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับมีความพุ้งซ่านมีความ คล้ายๆความพุ่งสั้นเนี่ยมันเป็นอะไรละลอกหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไป <ฮะ S 2> ถ้าเห็นอย่างนั้นได้นะก็ไปเจริญสติต่อได้ในระหว่างวัน จ, <ด>จะลืมตาหรือจะหลับตาก็แล้วแต่ก็คือเน้นเน้นตรงดูไปว่าตอนที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยเรารู้สึกยังไงนะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างตอนเนี้ยตอบตอบได้ใช่ไหมมันเป็นสุขใช่ไหม ม, มันมีรู้สึกความสงบขึ้นมาน่ะ ตัวตัวความสงบเนี่ยเป็นหน้าตาเดียวกันกับความสุขและความสงบความสุขแบบนี้ถ้ามันสามารถที่จะติดตามเราไปได้ในระหว่างวันเราก็จะสังเกตได้เช่นกันว่าเออตอนที่มันกระเพื่อมขึ้นมาตอนที่มันฟุ้งขึ้นมามันแตกต่างไปยังไงคืออย่าไปคาดหวังว่าไอ้ความสงบแบบนี้มันจะอยู่ติดตัวไปตลอด แต่ให้คาดหวังว่าความสงบแบบนี้จะกลับมาเป็นบูบๆบบางครั้งก็กลับมาแล้วบางครั้งก็เสียไปเนะเราคาดหวังที่จะเห็นความไม่เที่ยงของมันอยา่าคาดหวังเป็นอันขาดว่ามันจะอยู่ติดตัวแล้วก็สติก็เหมือนกันทำนองเดียวกันอย่าไปคาดหวังว่าเราจะมีสติดีขึ้นเรื่อยๆแต่ให้คาดหวังว่าสติมันจะหล่นหายให้ดูเป็นบางครั้งเป็นบางบูบเนี่ยอย่างตอนนี้บางทีมันก็เหมือนกับมีคลื่นความฟุง้งซ่าน ต, ตีขึ้นมาถ้าเราแค่หายใจทีนึงนะสังเกตว่าเออเนี่ยไอ้ที่มันบูบู้ว่าๆเนีอันนี้ตั้งใจเกินไปแล้วตั้งใจอจนกระทั้งมันมองไม่เห็นอะไรแล้วครับตัวความตั้งใจเนี่ยมันเหมือนกับเมฆหมอกมันเหมือนกับกาแพงบทบังสภาวะภายใ น, น, นคือคือตัวความตั้งใจเนี่ยมันเหมาะกับสภาวะภายนอกเท่านั้นเราตั้งใจที่จะเห็นอะไรที่จะรู้อะไรหรือว่าจะ ร่ำเรียนหรือว่าทํางานอะไรเนี่ยมันเหมาะที่จะเห็นนะไอ้ตัวที่อยู่ข้างหน้าแต่ไม่เหมาะที่จะเห็นตัวที่อยู่ข้างในเพราะว่าตัวความตั้งใจที่ประกอบอยู่ด้วยความสับสนเนี่ยนะมันมีภาวะแน่นๆมีภาวะมืดไม่ใช่มีภาวะสว่างมีภาวะทึบไม่ใช่มีภาวะโล่งมีภาวะกระสับกระส่ายไม่ใช่มีภาวะอยู่นิ่งเหมือนยยอย่างเ น, นี่ยอย่างตอนเนี้ยพอพี่พูดถึง ตัวความตั้งใจมากเกินไปแะเรายัางตอนเนี้ไม่แน่ใจเต็มร้อยเห็นภาวะไม่แน่ใจเต็มร้อยไหมมันเหมือนกับไม่ช่วยอยู่ข้างในตัวลังเลอยู่ข้างในเนี่ยพอพี่พูดถึงตัวความลังเลเนี่ยเราเรารู้สึกถึงอะไรที่มันวนๆอยู่ข้างในไหมลักษณะที่มันมีความไม่แน่นอนมันมีความคลุมเครือมันมีสภาวะจิตใจแบบหนึ่งที่ลุกลีกลุกๆอยู่ อ่าเนี à, ẹ, ẹ, ่ยต ch e uh, ัวเนี้ยเห็นไหมเห็นความโล่งขึ้นไหมลักษณะที่มันโล่งขึ้นเพราะว่าเราเหมือนกับรู้สึกถึงมันเฉยๆเหมือนเหมือนให้คําตอบพี่เฉยๆไม่ได้จงใจที่จะเออ่ไปคาดคั้นนะไม่ไม่ได้คาดคั้นเกีวกับตัวเองว่าเออเราจะต้องเห็นให้ได้หรือว่าเราจะต้องทําให้มันหายไปแต่ค็ยอมรับกับพี่เฉยๆว่าเออรู้สึกรู้สึกถึงอาการลุกลิกลุกลิบอยู่ อันเนี่ยตัวเนี้ยที่ที่มันค่อยๆจางไปเวลาที่เราเห็นเนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าพยายามมากเกินไปแต่แค่ยอมรับกับตัวเองยอมรับตามจริงว่ากำลังปรากฏภาวะอะไรอยู่ข้างในเนี่ยตัวเนี้ยตอนตอนที่มันพยายามอันนี้คือเขาเรียกว่าพยายามพยายามที่จะเห็นพยายามที่จะเห็นว่ากำลังเป็นยังไงอยู่มันไม่เห็นหรอกคือดูเป็นลมหายใจทีละละลอกดีกว่า หนึละลอกลมหายใจเนี่ยเรารู้ได้แค่บอกตัวเองช่วงตน้ตนๆหนึ่งระลอก ล, ลมหายใจเรารู้ได้แค่ครั้งเดียวว่าภาวะภายในกําลังเป็นอย่างไรอยู่ภาวะภายในอาจรู้สึกลังเลสงสัยอาจจะเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจอาจจะเกิดความรู้สึกพยายามพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเราสามารถเห็นตามจริงเห็นด้วยอาการยอมรับไม่ใช่เห็นด้วยอาการที่จะพยายามสร้าง หรือพยายามฝืนพยายามต้านไม่ว่าจะแบ่งรับหรือแบ่งสู้ก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความพยายามทั้งนั้นแหละนะแบ่งที่รับแบ่งที่สู้ตกลงมันไม่ได้ดูอะไรทั้งอย่างแต่ถ้าหากว่าเเราถามตัวเองง่ายๆหายใจครั้งนี้มันฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านหายใจครั้งนี้มันสุขหรือไม่สุขภาวะอะไรกําลังปรากฏเด่นภาวะนั้นเรารับรู้ตามจริงแล้วลมหายใจต่อมาเราเค่อย ว่าเออมันเปลี่ยนไปไหมลดระดับลงไหมนะถ้าหากว่ามันเปลี่ยนระดับไปเราก็รู้ว่าเออเนี้ยเรากำลังเห็นความไม่เที่ยงแล้วแต่ถ้าหากว่ามันยังอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมนะก็ถือว่าเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงแต่เรายังเรายังเห็นตรงเป้าอยู่คือเรายังรู้ตรงจุดนะว่าภาวะที่กำลังปรากฏเด่นเนี่ยคืออะไรหรือถ้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรให้รู้เลย ก็รู้ลมหายใจนั่นแหละนะว่ากำลังเข้าหรือกาลังออกกำลังต้องการยาวหรือกำลังต้องการสั้นรู้ไปจนเคยชินตัวความเคยชินนั่นแหละที่มันจะทำให้สติอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยเวลาที่เห็นเนี่ยเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นแบบลอยๆไม่ได้เห็นด้วยความด้วยอาการเคลือบความสงสัยนะขอบคุณครับ ครับเพิ่งเคยมาฟังครั้งแรกนะครับก็ยังยังไม่รู้จะถามอะไรนะครับรู้แต่ว่ามันตื่นเต้นอยู่อ่าก็ดูไปเมื่อเมื่อครูน่นี้ตอนที่ฟังไปด้วยแล้วก็ทำสมาธิตามไปด้วยเนี่ยนะมันมีอาการที่ว่าบางครั้งก็ฟังรู้เรื่องบางครั้งก็เหมือนกับลอยๆไปหรือว่า อย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยบางทีมันมีอาการเคลิ้มเลิ้มไปลอยลอยไปเข้าใจอาการเคลิมไหมมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่สบายเฉยๆนะมันเหมือนคล้ายๆจะเ อ, อจะว่าจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะว่าตื่นก็ไม่เชิง้ตัวภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาที่เราสงบแบบยังไม่มีกําลังความตื่นรู้มากพอนะตัวนี้ก็เป็นอาการสแสดงของจริง เกี่ยวกับภาวะทางจิตได้ถ้าเราเห็นของจริงอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ในที่สุดมันก็เกิดการยอมรับขึ้นมาว่าเออให้ภาวะที่เราจะตั้งใจรู้ตั้งใจดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แสดงความไม่เที่ยงให้ดูอยู่เรื่อยๆเช่นกันในระหว่างวันเนี่ยดูได้ทํานองเดียวกันเวลาที่คุณคิดตั้งใจ รู้สึกว่าอยู่กับงานตรงหน้าล็อกโฟกัสอยู่กับงานตรงหน้าได้รู้สึกดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเหมือนกัา เ, เมื่อไปบางทีคล้ายๆร่างกายไม่พร้อมบ้างหรือว่าสภาพจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างเพราะมันเป็นจิตใจอันเดียวกันกับ ต, ตอนที่เรานั่งสมาธินั่นแหละคือไม่ใช่จิตใจที่เป็นของอีกคนหนึ่งนะ เรแค่แค่ว่าหลับตาหรือลืมตาตอนนั้นแต่เรามาหลับตากันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ง่ายที่จะเห็นนะว่าเออเนี่ยมันกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกภาวะฟุ้งซ่านกาลังปรากฏหรือไม่ปรากฏถ้าลืมตาบางทีเนี่ยมันถูกสิ่งอื่นแย่งไปสวัสดีครับชื่อชาโนนฮนะมาเป็นครั้งที่สอง คราวที่แล้วก็เดินเดินที่แล้วที่ครั้งแรกที่วิตุนจัดนะฮ ะ, ะไม่ได้ถามอะไรทีนี้ก็ใหม่ทั้งการนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ใหม่มากๆเรื่องนั่งสมาธิเพราะว่าคิดว่าคือเพิ่งจะเริ่มนั่งแบบพยายามจะนั่งจริงจังนะฮะต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ตั้งคือของผมเองเนี่ยผมจะพยายามนั่งตอนคืนเพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่เหมือนกับไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวอะไรกับผมก็จะตั้งในกาปุก ข, ขึ้นมาตอนประมาณตีหนึ่งคึ่ง ก็จะสวมดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิแต่ทีเนี้ยตอนนี้นั่งตอนคืนเนี่ยมันรู้สึกว่าเดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันเดี๋ยวอะไรต่างๆก็นั่งเก้าอี้แบบเ น, นี้นะหรือถ้ายังยังมีความติดขัดทางร่างกายอ่ะพี่นั่งให้พี่แนะนําให้นั่งเก้าอี้เพราะว่ามันก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันจริงๆที่มีความติดขัดเกี่ยวกับร่างกายเมื่อยขบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเพราะว่าเอโนฟินมันยังไม่ได้หลั่งออกมาช่วย นะแต่ถ้ า, เ, าเรานั่งเก้าอี้จนกระทั่งคุ้นแล้วเนี่ยพอยไปนั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยมันจะครบวงจรมากขึ้นแต่ว่าตอนตอนพอก็คือรู้สึกว่าคือผมจะนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงจะตั้งในกาบปุกเอาไว้นะฮะทีนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยสบายตัวแหละแต่เราก็นั่งเสร็จแล้ ว, ลวก็แผ่เมตตาไปตื่นเช้ามาอีกทีก็ไปทําภารกิจนะฮะใส่บาตรทำอะไรเสร็จ ก, ก็จะกลับมาสวดอีกรอบหนึ่งแล้วก็นั่งต่อทีเนี้ยช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่นั่งแล้วสบายขึ้น เหมือนว่าความเมื่อยมันมันน้อยลงแล้วก็มันสงบขึ้นคือผมปิดห้องล็อกเลยเพราะไม่มีคนละก็สบายขึ้นแต่ทีเนี้ยก็เลยก็เลยคือไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าก็ก็ใหม่แล้วก็พยายามอ่านหนังสืออะไรต่างๆบางทีก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันจะต้องมีเพิ่มเติมเสริมตรงไหนหรือเปล่าถึงจะเหมือนกับว่าสามารถที่จะบรรลุไปไ ป, ไปในเรื่องของการการพูดง่ายว่า เป้าหมายของผมเอง ท, ที่ที่พอผมเรียนรู้ศาสน า, สาพุทธแล้วก็อยากจะนิพพานเหมือนเหมือนกับหลายๆคนน่นะฮะแล้วก็เลยเลยคิดว่าเออก็พยายามที่หาวิธีะฮะแต่คร น, นี้ก็ครูบาอาจารย์ก็อยู่ไกลก็ไม่ค่อยได้ได้ได้คุยอะไรกับใครเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิเนี่ยคือเราจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ชัดเป็นห้วงๆวงนะแล้วก็เอ่อพอฟังฟังไปเนี่ยมันก็รู้สึกบางครั้งบางคราว รู้สึกสว่างใช่ไหมรู้สึกเหมือนกับว่างๆโล่งๆช่วงมีเป็นช่วงๆของเราคือเวลาที่ลมหายใจปรากฏชัดเนี่ยมันจะเหมือนกับมีมีแบบช่วงช่วงหลังๆเนี่ยบางทีความคิดหรือความฟุ้งซ่านมันโผล่ขึ้นมา แล้วเวลาดูบางทีมันยังยังดูไม่ออกว่ามันขึ้นมาแล้วหายไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าต่อไปไปทำด้วยตัวเองเนี่ยคือสังเกตแค่นั้นนหะว่าลมหายใจเข้าครั้งนี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับคลื่นรบกวนมันโผล่ขึ้นมาในหัวลมหายใจต่อไปขึ้นรบกวนมันเท่าเดิมหรือเปล่านะหรือว่ามันหายไปจากหัว คือสังเกตอยู่แค่นี้ก็ถือว่าสำหรับเราถือว่าน่าจะใช้ได้เพราะว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยคือเราเห็นลมหายใจโดยความเป็นของที่มันแสดงความไม่เที่ยงได้แต่ความพงสานมันยังเป็นตัวเราอยู่เข้าใจพลอยไหมคือว่ า, า ค, ความพงสานพอมันขึ้นมาเรายังรู้สึกว่าเนี่ยเราคิดใช่เนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าคือของเราเป็นคนค่อนข้างจะคิดชัดเจนพอสมควร เวลาที่หมายถึงคิดเรื่องปกติอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นพอมันโผล่ขึ้นมาในหัวเนี่ยมันจะมีความชัดเจนพอสมควรในไอ้ความรู้สึกแบบเก่าๆตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิหรือว่าตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจมาดูความเกิดดับอย่างเงี้ยมันจะติดกันเป็นก้อนหรือติดกันเป็นสายทีนี<ช>ออ้อย่างตอนผมดูเนี่ยพี่บอกว่าให้ให้ดูให้ดูลมหายใจเฉยๆใช่ไหมฮะ แต่ความรู้สึกผมมันเหมือนว่าเพ่งหรือเปล่ามันเหมือนกับเราไปบังคับมันมันชัดไงคือลมหายใจของเรามันลา拉ยาวมัน拉ยาวอยู่เรื่อยแล้วตอนช่วงต้นต้นเนี่ยไอ้ที่สบายมันสบายเพราะว่ารากลมหายใจยาวแต่มันพยายามจะให้ยาวอยู่เรื่อยเป็นการบังคับน้องลองไปน้องลองไปสังเกตใหม่อย่างที่พี่ว่าไงว่าจริงๆร่างกายไม่ได้ต้องการลมหายใจยาวตลอดนะคือของเราตั้งอกตั้งใจ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามผ่อนคลายตามที่พี่พูดด้วยแต่เนื่องจากมันยังจูนไม่ตรงกันนะคือคือยังไม่คุ้นถ้ามีความพยายามหลายๆทางพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยได้ดีด้านหนึ่งแล้วเสีย อ, อีกด้านหนึ่งนะโดยเพราะอย่างยิ่งเวลาที่เราพยายามมันเหมือนมีความพยายามทําความเข้าใจตามไปด้วยลกลายเป็นคลื่นความคิดกลายเป็นลอกความคิดขึ้นมา พอมันมีความคิดชัดเจนเนี่ยมันก็กลับเป็นเป็นตัวเราเต็มที่น้องลองสังเกตดิตอนที่เรารู้สึกถึงลมหายใจสองสามระลอกแรกมโนภาพของเรามันจะไม่มีะมันจะเหมือนมันมันจะเหมือนว่างๆไปแล้วที่อย่างที่คุยกันนะว่าช่วงแรกมันมีช่วงของความรู้สึกสว่างด้วยแต่พอความคิดกลับก็มาปุ๊บมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งมโนภาพตัวเราที่เรากําลังนั่งอยู่หน้าตาแบบเรามันจะกลับมาปรากฏใหม่ อ, อย่างนี้เราต้องดูมันอย่างเดียวอย่างนี้ทบทวนทบทวนไปเข้าใจใช่ไหมว่ า, ามันเกิดอะไรขึ้น เ, เมื่อไปนั่งเองแล้วเกิดภาวะอย่างนั้นขึ้นมาใหม่ก็แค่บอกตัวเองว่าเออเนี่ยตอนนี้ความคิดมันกลับมาปรากฏอย่างชัดเจนในหัวเนี่ยเราเราลอกลมหายใจเนี่ยเนี่ยเรามีความสุขเป็นตัวเราแล้วเราก็กลับไปดูใหม่เออให้ลมหายใจต่อไปเนี่ย เอแล้วลอกความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันมันค่อยๆเสื่อมลงหรือว่ามันยังชัดเจนเท่าเดิมคือบางทีมันไม่ได้มาในรูปความฟุ้งซ่านแบบกวนกวายในหัวมันมันมาในรูปความก้อนความคิดที่ชัดเจนอย่างของน้องเนี่ยเมื่อไอ้ตอนที่มันกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นก้อนความคิดของความพยายามทําพยายามตั้งใจให้ดีพยายามตั้งใจให้มันสงบให้มันสบายจนกระทั่งมันกลายเป็นอาการล็อก ของน้องเนี่ยเฉพาะของน้องเนี่ยสังเกตว่ามนโนภาพในตัวเรามันเกิดขึ้นชัดหรือเปล่า <c oughs> ถ้าชัดนะ่ะตรงนั้นนะ่ะให้สังเกต ด, ดูด้วยในหัวมันรู้สึกหนักๆ ห, หรือเปล่าคําว่าหนักไม่ใช่หนักอึ้งแต่หมายถึงว่ามันมีความเข้มข้นของกลุ่มความคิดเกิดปรากฏขึ้นมามันแตกต่างจากตอนที่เรารู้สึกเหมือนกับรู้สึกถึงลมหายใจอย่างเดียวเราว่างเส บ, บายเป็นคนละความรู้สึกกันเป็นคนละน้ําหนักกัน ถ้าเรารู้สึกถึงความแตกต่างได้อันนั้นแหละคือเรียกว่าดูเป็นแล้วดูความแตกต่างเป็นเมื่อดูความแตกต่างได้ว่าเออตอนน้ำหนักความคิดมันเข้มข้นขึ้นมากับตอนที่มันเบาบางหรือสลายตัวไปนะเราจะค่อยๆจับสังเกตเออแต่ละรล ะ, ละลอกลมหายใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันการปรงแต่งไม่เหมือนกันบางครั้งก็ไม่มีความรู้สึกถึงมโนภาพของตัวตนเลยหรือว่าไม่มีไอความคิด ในหัวเลยแต่บางครั้งมันก็มีอาการที่ปรุงแต่งขึ้นมามีความเข้มข้นของกลุ่มความคิดในหัวไอ้ตอนแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าภาวะสองภาวะเนี่ยแตกต่างกันแต่พอมีความคุ้นคือพูดง่ายๆว่าสมาธิของเราอยู่ตัวสติของเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นมันจะเห็นเลยว่าไอ้ตอนที่เกิดความคิด ก่อความคิดขึ้นมาในหัวเนี่ยก็อีตอนที่เราไม่ได้รู้สึกถึงลมหายใจแต่ไปรู้สึกอยากจะคิดหรืออยากจะกลับมาเป็นตัวเราใหม่อ ย, มอย่างนีถ้ถ้าเรานึกออกปุบ๊บเราตัดไปที่ลมหายใจเลย ไ, ไดไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดไปที่ลมหายใจนะ หลักการของอน า, าปานสติจริงๆอตอนแรกเนี่ยเราพยายามสร้างความคุ้นเคยกับลมเข้าลมออกสังเกตมันว่าเออเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นจนกระทัง่งมันมีความคุ้นจริงๆณ จ, จิตเนี่ยมีความเป็นเป็นผู้ผู้ดูผู้สังเกตการอย่างเดียวนะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อเรามีความคุ้นมีความรู้สึกเกี่ยวกับลมหายใจชัดเจนดีแล้วเนี่ยควรจะอาศัยลมหายใจ เป็นเครื่องสังเกตคือคือเราแค่บอกตัวเองว่าเนี่ยในขณะที่หายใจเข้าอย่างนี้เนี่ยเกิดภาวะแบบไหนขึ้นมาคือของเราเนี่ยถ้าตั้งต้นได้แล้วรู้สึกถึงลมหายใจได้แล้วคือไม่ต้องไปพยายามจับให้มั่นคันให้ตายของเราจะเป็นแบบนี้ไงคือจิตเนี่ยมันมันเหมือน เหมือนจะจับให้อยู่เหมือนจะเอาให้ชัดเพราะวิธีคิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นประเภทถ้าไม่ชัดมันไม่ยอมหยุดมันไม่ยอมเลิกราที่จะ อ, อหาความหาความหาความชัดเจนนะรู้สึกใช่ไหมถึงความเป็นคนที่จะไม่ยอมหยุดพยายามาที่จะให้เห็นลมหายใจ นะอยู่ตลอดเวลาการพยายามเนี่ยคือมันมีข้อดีทำให้เราไม่วอกแวกง่ายแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าใจมันจะมีอาการยึดแบบจับให้มั่นกันให้ตายซึ่งพอความคิดมันก่อตัวขึ้นมาแม้กระทั่งความฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทำให้มนโนภาพของเราเนี่ยมันกลับมาเต็มได้อัตราของเรากลับมาเต็มได้นะนี่ ที่พี่บอกว่าอยากกลับไปพยายามดูแบบจับลมหายใจให้ได้เนี่ยนะก็เพราะว่าอาการของเราเนี่ยพอกลับไปที่ลมหายใจเนี่ยมันจะไปบงังคับเอาให้ได้อย่างใจเป็นลมหายใจยาวเป็นลมหายใจที่ชัดเป็นลมหายใจที่เราแน่ใจว่าเออเนี่ยมั<ผ>นจะไม่หายไปไหนตัวเนี้ยแค่สังเกตก็พอว่าในอาการนั้นเนี่ยลมหายใจของเราลมหายใจนั้ น, น, นเนี่ยเรามีอาการพยายามอยู่แค่ไหนเรามีเออเนี่ยอย่างเนี้ย อันอย่างเงี้ยดีเมื่อกี้ที่หายใจเนี่ยแล้วเรารู้สึ ก, ก เ, เรารู้สึกเฉยเฉยว่ามันหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมมโนภาพในเกี่ยวกับตัวตนด้วยกลุ่มก้อนความคิดเนะี่ยมันไม่ได้หนาแน่นมันแค่เอออย่างเงี้ยใช้ได้ที่ที่มันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆมาปุป๊บลมหายใจหายไปเลยอ่าเวลาคิดจบลมหายใจหไปเลยสังเกตแบบเนี้ยนะว่ามันแตกต่างกันยังไงตอนที่ กมความคิดมันกลับมาหนาแน่นกับ ต, ตอนที่มันสลายตัวไปแล้วเหลือแต่ความรู้โดยไม่มีอาการพยายามจับให้มั่นคันให้ตายอย่างเงี้ยดีอืมมาถูกทางเลยอช่ไหมใช่ใช่คือเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยนะมันจะ เ, เริ่มไม่อยากเพราะว่าตอนตอนแรกขึ้นมาเนี่ยมันควรจะอยากอยู่หรอกอยากได้มรรคผลอยากได้ฌานอยากได้สมาธิอย่างโน้อนอย่างนี้เพราะถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่รู้จะทํำยังไง แต่พอมาเริ่มฝึกจริงๆเนี่ยคือเราต้องสังเกตเห็นนะว่าตัวความอยากนั่นแหละมันเป็นต้นเหตุของความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นต้นเหตุของอุปทานว่าเราจะเอานั่นเน่านี่มรรคผลที่แท้จริงไม่ใช่ได้นั่นได้นี่แต่ทิ้งทุกอย่างทั้งหมดที่มันยึดอยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเกี่ยวเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรานะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ จิตมันจะเริ่มไม่เอาเนี่ยเห็นไหมคือมันไม่ได้จะเอาอะไรเห็นไหมก้อนความคิดมันเหมือนหายไปมันมันเหมือนกับไม่มีอิทธิพลที่จะทําให้ใจเราเนี่ยไปยึดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแรงเกินไปมันแค่มีความคาดหวังอยู่เป็นละลอกละลอกทุกนมหายใจเนี่ยมีแค่ความคาดหวังว่าเราจะรู้เราจะดูตามที่มันเป็นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มหลุด ไอ้ที่หลุดนี่คือมันมันเริ่มเหมือนกับมีอะไรที่มันคลุกคลิกอยู่ในหัวรู้สึกได้ไห ม, ไมรู้สึกใช่ไห ม, ไมอ่าเนี่ยคือพอเรารู้สึกถึงอาการคลุกคลิกอยู่ในหัวแล้วแค่เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรแค่ลมหายใจเนี่ยเรายอมรับอเนี่ยที่มันเห็นว่าหายไปตัวนี้แหละลักษณะของความไม่เที่ยงที่มันกำลังแสดงตัว มันแสดงตัวอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราแค่เอาลมหายใจเข้าออกเป็นตัวเป็นเครื่องตั้งในการสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดลมหายใจให้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลานะอันนี้คือหลักของอนาปานาสติที่แท้จริงไม่มีอะไรแนะนเพิ่มเติมอันนีตรงนี้เนะี่ยคือถ้าทำได้อย่างนี้เนะี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วแล้วทีนี้ก็สังเกตเอาเองว่าในแต่ละลมลมหายใจเนี่ยมีภาวะอื่นภาวะใด ภายในขอบเขตกายใจเนี่ยให้ดูอีกนะผมอีกนิดหนึ่งคือถ้ากลางคืนเนี่ยผมตื่นมาแล้วผมสามารถนั่งพิงได้ใช่ไหมได้แต่ได้ที่เรายังรู้สึกอยู่ว่าเนี่ยมันมันเป็นอิรียบ ท, ที่เป็นปัจจุบันจริงๆเป็นลมหายใจที่เป็นปัจจุบันจริงๆมันใช้ทําสมาธิได้หมดแหละไม่ว่าจะนั่งในท่าไหนคือเท่าที่พี่พบมาเนี่ยหลายคนเลย ไปติดอุปสรรคอยู่ตรงเนี้ยคือพยายามเอาท่านั่งไม่ได้พยายามเอาเอลักษณะจิตที่พร้อมจะเป็นสมาธิบางคนเนี่ยทาเป็นสิปีก็ทำแล้วเลิกทำแล้วเลิกก็เพราะว่ามาติดเรื่องท่านั่งนี่แหละนะมันมีความเมื่อยขบมันมีอะไรทีนี้ถ้าเรานั่งนั่งแบบนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยสบายๆจนกระทั่งเกิดสมาธิได้แล้วนะมันรู้สึกเหมือนกับมีความสูงมีปิติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่เมื่อยขบแล้วกลับไปนั่งขัดสมาธ การไปนั่งสมาธิเพชรอีกทีหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกสบายขึ้นจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่มีความทรมานไม่ได้เอาตัวมาทรมานเปล่านะแล้วก็เวลานั่งไปเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออตอนนั่งคัดสมาธิเพชรเนี่ยไอความรัดกุมหรือว่าอพลังที่โคจรอยู่ทั่วร่างเนี่ยมันมันมันแน่นกว่ามันหนานแน่นกว่านะจ้ะ ชื่แปมนะคะก็มาฮคุยกับพี่ตุลสองสามรอบแล้วอะคะ่ะจ๊ะจำได้จ๊ะคราวนี้ก็มาถามเรื่องการปฏิบัตินะคะตอนนี้ก็มีพยายามทําให้นั่งสม่ําเสมอนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังเหมือนตัวเองนั่งสมาธิแล้วยังเพง่งติดเพ่งบ้างติดเพ่งอยู่อะคะ่ะแต่พยายา ม, มแค่เป็นละลอกละอกมันไม่ได่ต่อเนื่องเราเริ่มรู้ตัวไง <c oughs> ว่าตอนที่ มันมันหนักเกินไปเราจ ะ, จะรู้สึกหนักเกินไปเออมันมันจะมีอาการทางกายขึ้นมาพอเร า, เราเริ่มรู้สึกหนักเราก็ถอนถอนเป็นห่วงหวงนะอย่างเมื่อกี้ก็สบายกว่าทุกครั้งนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเออมันเป็นเพราะว่าเราฟังพี่ไก่ไปด้วยใช่ก็ <laughs> ถ้าาไฟเสียงที่พี่ไก่เนี่ยฟังไปก่อนฟังฟังไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งมันรู้สึกเหมือนกับอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆนะก็ค่อยค่อยทิ้งไฟเสียงไปแล้วยังระหว่างวันเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับโล่งขึ้นมาได้เป็นพักๆอยู่แล้ว แต่ก่อนนี้มันจะหนักๆอยู่เรื่อยๆไงมันมันมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นคนหมกมุ่นหมกมุ่นกรุ่นคิดนะคิดถึงปัญหาคิดถึงสิ่งที่มันน่าหนักใจคิดโน่นคิดนี่แล้วจะบอกตัวเองว่าไม่คิดไม่ได้มันมันต้องคิดอยู่ตลอดด้วยไอ้นี้แหละที่นิสัยทางจิตแบบนี้นิสัยทางความคิดแบบนี้นี่แหละที่ทาให้เป็นคนเพ่ง แล้วก็เป็นคนเหมือนกับพร้อมที่จะเข้าสู่ภาวะหนักๆข้นๆบางทีเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรแต่มันคิดให้เองนะมันมันกลับมาหนักให้เองก็เพราะเหตุเนี้ยคือเราสร้างนิสัยความเคยชินมาทีนี้ถ้าเริ่มจากอย่างสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทำให้รู้จักจังหวะของอาการที่จิตเนี่ยมันเริ่มจะเพ่งหนักหรือว่ามี อาการคิดในเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันมันจะทำให้เราเกิดข้อสังเกตในขณะหลับตาในขณะนั่งพยายามดูอนาปานสติเนี่ยนะตัวนิสัยความเคยชินแบบนี้เนี่ยมันจะติดตัวไปในระหว่างวันด้วยอย่างที่เราเกิดความรู้สึกบางทีมันก็ล่งขึ้นมาเฉยๆหรืออย่างตอนนี้ที่ยังอาจจะไม่ไม่คุ้นไม่เต็มที่ก็คือเวลาเรา อยู่กับงานที่ไม่เต็มใจทําของเราจะมีความไม่เต็มใจบ่อยตัวความไม่เต็มใจลองสังเกตนะ <Yeah. S 1> พอพ อ, พอไม่เต็มใจปุ๊บเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมาทันทีมันมีอาการหนักๆหน่องๆขึ้นมาทันทีมีอาการเหมือนคนคิดมากขึ้นมาทันที <Yeah. S 1> นะักษณะความไม่เต็มใจเนี่ยมันเป็นคลื่นรบกวน ที่รุนแรงชนิดหนึ่งพอเราเห็นความไม่เต็มใจปุ๊บเนี่ยนะแค่ถามตัวเองว่าเออเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกครั้งนี้เนี่ยมันกำลังมีอาการบางทีเนี่ยที่ที่น้องบอกเหมือนมีอาการแถวๆเหมือนมีอะไรเนี่ยแค่ความไม่เต็มใจมันขึ้นมานะบางทีเนี่ยไมเกรนถามหาแล้วหรือมีอาการเหมือนกับเสียวๆแปลบๆขึ้นมาหรือมีอาการหนักๆพึดอัดอะไรขึ้นมาเนี่ย อลักษณะของความไม่เต็มใจเกิดขึ้นมาอย่าไปรังเกียจมันแต่ให้ถามตัวเองว่าตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่ในครั้งนี้นะแล้วลมหายใจต่อมาเนี่ยมันมันเบาขึ้นหรือว่ายังหนักอยู่ส่วนใหญ่มันจะหนักไปหลายลมหายใจของน้องนะแต่ว่าเราอย่าไปเร่งยิ่งเร่งมันจะยิ่งไม่พอใจยิ่งเร่งมันจะยิ่งอึดอัด แต่ถ้าเราใจเย็นคือตั้งไว้ล่วงหน้าตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าเราจะดูอาการอึดอัดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ลมหายใจเราก็จะดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะคลายลงมันจะเบาลงด้วยอาการแบบนี้เห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันพยายามเร่งรัดโดยไม่รู้ตัวเพราะนี่ใส่ความเพยชินทางจิตพอมันมีอาการหนักๆมันไปเร่งว่าจงหายหนักอยากจะให้มันเบาเนี่ยตัวนี้เนี่ย ที่มันเลยไม่หายสักทีแต่เนื่องจากเราทําสมาธิบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันไปสร้างความเคยชินทางจิตอีกแบบหนึง่งคือสักแตบบ่มารู้สักแต่มาดูได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยแต่ถ้าอย่างที่น้องว่าว่าระหว่างวันบางทีมันเบาขึ้นมาเฉยๆนั่นคือสิ่งสะท้อนเครื่องสะท้อนว่าพฤติกรรมทางจิตของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือไม่ได้จะยึดเอายึดเอาอย่างเดียว มันมีอาการเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นครั้งครั้งไปด้วยก็พยายามพวกคิดมากพวกเขียนเหมือนกันคิดมากขี้น้อยใจไม่ชอบให้คนมาสั่งอะไรเงี้ยคะมันจะมีมอารมณ์<อ>แบบไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นพวกโทสะมันมาจากความโกรธที่แบบว่าก็คือตามรู้ก็คือค่อยๆรู้เรียนรู้มันไปใช่ไหมพี่ให้สังเกตตรงตัวความไม่พอใจอ่ะ ตัวไอ้ความรู้สึกว่าเหมือนถูกสั่งหรือเหมือนถูกกดดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันแจกผดบ่อย<ะ>แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ตองฝืนเราไม่ต้องเตนมันชัดเจ <ะ S 2> นในตัวเองน ะ, นะว่าลักษณะความหนักที่มันตรงขึ้นมาในหน้าผากในหัวหรือว่าบางทีอึอดอัดอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับภาวะคุ้นเคยที่เกิดบ่อยถ้าเราจองตัวมันไว้นะบุ๊กไว้เลยว่าเนี่ยขอใช้เป็นเครื่องฝึกสติเครื่องเจริญสติเราจะรู้สึกไม่รังเกียจมันยู่ที่ผ่านมามันไม่ชอบอะไอ้ความหนัานี่ใครๆก็ไม่ชอบแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยแล้วเกิดขึ้น จนกระทั่งเราสามารถที่จะเอามาใช้เจริญสติได้เนี่ยเราจะมีความพอใจมันขึ้นมาลึกๆคื อ, อไอ้นี้เกิดบ่อยใช่ไหมก็อเอามาใช้งานซะเลยนะถ้าน้องเห็นว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแล้วทุกครั้ง เ, เห็นปุ๊บแล้วมันค่อยๆ ค, ค, คลายตัวหรือว่าสองสามลมหายใจคลายตัวจริงๆด้วย ม, มันจะเกิดความรู้สึกดีใจเมื่อเราเห็นจริงๆ เราสามารถทำได้นะไอ้ตัวความสามารถทำได้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจหรือว่ากำลังใจที่จะทำต่อมันไม่ใช่เฉพาะจุดนี้จุดอื่นๆด้วยนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือว่าพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ อ, อย่างที่ผ่านมาเท่าที่พี่เห็นเนี่ยคือว่าเราพยายามเปลี่ยนนิสัยบางอย่างด้วยนะเราคล้ายๆตั้งใจเลยว่าอย่างวิธีการพูดใช่ไหม เดี๋ยวมีอะไรบ้างที่เราตั้งเราตั้งเราตั้ ง, งใจเปล่าว่าเออเนี่ยจะเปลี่ยนก็วิธีตั้งใจค่ะก็เรื่องคิดมากแล้วก็ชอบเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับวิธีพูดด้วยหรือเปล่ า, เ, าเพราะว่าวิธีพูดเราเปลี่ยนไปพอพอจะสังเกตเห็นไหมคือเหมือนกับอย่างถ้าสมมติว่าเราฮึทัดหืด่นทัชเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนเราจะเก็บกดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมัน แต่ตอนนี้มันมันจะต่างไปมันจะอยากพูดดีมากขึ้นมันจะอยากโต้ตอบออกไปแบบเลือกคาพูดมากขึ้นอย่างเงี้ยนะตัวเนี้นะยนนที่มันมีส่วนคือการปฏิบัติการเจริญสติไม่ใช่ว่าเราจะเอาเรื่องทางจิตอย่างเดียวเราเอาเรื่องวิธีการพูดด้วยเราเอาเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะเลือกคาพูดให้มันดีขึ้นไม่มีไอ้คาพูดที่แบบ ของเรานี่แบบถ้าถ้าพูดพูดแรงถ้าไม่พูดก็แบบเก็บอัดไว้อะไรอย่างเงี้ยเก็บกดอะ่ะ<ช>นะเออไอ น, นี้มันเหมือนตั้งใจว่ า, าจะพูดให้มันดีๆ<ช>พูดให้มันเป็นที่เข้าใจอ่าครับสวัสดีพี่ตุนค่ะสองท่านว่าต่าเราก็ถาม มาให้พี่ตุนแนะนําเรื่องการปฏิบัติเพิ่มเติมมาค่ะเพราะว่าจากเมื่อก่อนที่ปฏิบัติเรารู้สึกว่าเราจะเบอร์เบอร์คือมันนิ่งค่ะแต่มันเหมือนลอยๆอยอะค่ะพี่ตุนแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันมันมีสติแล้วก็รู้ตัวมากขึ้นแต่บางครั้งมันจะรู้สึกเหมือนแบบเราเบอร์เบออค่ะเบอร์แบบที่นี่หมายถึงว่าเหมือนคนใส่ <ไป S 2> ตาสั้นอย่าอย่าไปแคร์ว่าเราเบลอรหรือว่าเราชัด <Okay. S 2> แต่ให้แคร์ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยตอนนี้ลมหายใจนี้กาลังเบลออยู่นะถ้ารู้ว่าเออลมหายใจนี้กาลังเบลออยู่แล้วดูไปอีกสักลมสองลมของตักนี่ก็อาจจะสักสิบลมหายใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะมันจะชัดขึ้นมันจะใสมันจ ะ, ะมีน้าหนักหรือไม่มีน้ำหนักเนี่ยจะแต่ยังไงก็ตามมันจะแสดงความแตกต่างให้เห็นและพอแสดงอาการแตกต่าง นะระหว่างเบลอระหว่างชัดระหว่างมีน้ำหนักระหว่างไม่มีน้ำหนักไม่ว่าจะรู้สึกยังไงเนี่ยมันก็สามารถเอามาใช้เปรียบเทียบได้หมดนะว่าเออเนี่ยภาวะอย่างนี้มันต่างไปแล้วคือถ้าเบลอแล้วเราพ ย, พยายามบอกว่าทำยังไงถึงจะชัดอย่างนี้ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยมันจะใช้วิธีหักด้ามพราด้วยข่าวเอาคือปพยายามจ้องพยายามตั้งอกตั้งใจมากๆ ที่จะให้มันชัดแล้วพอไม่ได้ความชัดเนี่ยเราก็จะพยายามอยู่ไม่เลิกหรือว่าเห็นอาการเบลอเนี่ยเป็นเป็นศัตรูหรือว่าเป็นภาวะที่ไม่ดีไม่น่าชอบใจตัวอาการเบลอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออาการเคลิ้มนั่นแหละคนพอปฏิบัติไปจนเกิดความรู้สึกสบายเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับความเคลิ้ม คือขี้เกียจที่จะมาโฟกัสขี้เกียจที่จะมารับรู้อะไรอยากจะปล่อยสบายๆเฉยๆนี่พอมันเริ่มมีความเคยชินที่จะเข้าสู่ความไม่ทําอะไรเลยนะไออาการเบลอรตรงนี้มันก็จะเบลอมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าหากในอาการเบลอนั้นอย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่ามันมีอาการเบลออยู่ในลมหายใจนี้ แะอีกลมหายใจหนึ่งเออมันชัดขึ้นหรือเปล่าด้วยดวยอาการเปรียบเทียบอยู่อย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดสติมันเกิดขึ้นแล้วมันมันเกิดขึ้นเพื่อรู้ว่ากําลังเบลอไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเบลอแบบปล่อยให้มันเคลิ้มปล่อยให้มันหลงไปนะแต่ก็ก็เห็นครับพี่ตงเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราเบลอปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเอย่างมันก็ดับไป หายไปยเราก็มาเราก็มาดูอีกแ้บางทีก็จะเป็นอีกหรือมันจะมีอะไรฟุ้งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูดูไปทุกๆ ก, กระบวนการของมันเวลาตอนนั่งนะคะเพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยะค่ะนู้นเกิดขึ้นเดี๋ยวก็อ ย, อย่างตอนนี้นนพอเรากลับมาทำงานมากขึ้นมันมันมีความฟ<ช>ุ้งสั้นที่มากขึ้นด้วยคือระหว่างวันมัน จิตมันมันไม่ได้เอ่ออยู่นิ่งๆเหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนมาก่อนอมาก่อนจะนิ่งแล้วก็บางทีก็ฟุ้งลอยประเด็นก็คือพี่ไม่ได้จะให้เราแคร์ว่าเออมันฟุง้งสั้นประเด็นคือว่าเออระหวังวันเนี่ยเราฝึกไปด้วยนะว่าหายใจครั้งนี้เราฟุ้งสั้นแค่ไหนมันมันจะมีอาการเหมือนกับฟุ้งสั้นแบบไหลอ่ะ ลักษณะของเรามันมันไหลจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งแบบโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนตอนไหนนะมันมันไหลแล้วมันไหลค่อนข้างแรงแล้วก็จะถ้าเป็นตอนภาวนาโอเคเรารู้นั่นรู้นี่แต่ว่าตอนอยู่ระหว่างวันเนี่ยพอปุ้งแล้วมันก็ไปตามอาการฟุ้งเลยนี่ลองไปฝึกดูไหมนะว่า เตือนตัวเองบ่อยๆว่าเนี่ยตอนที่กําลังพุ่งสั้นแบบไหลไปเรื่อยเนี่ยมีการแบ่งตอนว่านี่หายใจครั้งนี้มันไหลแค่นี้นะแล้วดูต่อไปว่าเออหายใจครั้งต่อไปเนี่ยมันมีเว้นรักไหมหรือว่ามีอาการแบ่งท่อนไหมตัดเป็นท่อนๆไหมถ้าหากว่าไม่ตัดเป็นท่อนๆไหลไปเรื่อยแล้วก็ยอมรับไปว่าเออมันไหลไปเรื่อยมันยังไหลไม่หยุดนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเนี่ย สังเกตเข้ามาว่าลมหายใจนี้มันไหลมันไหลอย่างนี้อีกลมหายใจนึงต่อมามันรู้สึกหยุดหยุดว่างๆเราก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมานิดหนึ่งเราสามารถเห็นนะ้าการเว้นวักของความปุงชัานได้นะ แล้วเวลาที่ใจมันรู้สึกเหมือนปล่อยวางอ่ะดูดีๆว่ามันปล่อยวางหรือว่ามันกำลังเคลิ้มไปในอาการสบายถ้าเคลิ้มไปในอาการสบายเนี่ยมันจะถูกย้อมด้วยความสุขถูกย้อมด้วยความรู้สึกว่าเออมันดีจังแต่ถ้าปล่อยวางจริงเนี่ยมันมันมีความพร้อมที่จะรับรู้อะไรก็ได้โดยไม่เกิดความรู้สึกว่าดีจัง มันมันจะแค่รู้สึกเหมือนกันว่าเออเฉยเฉยจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงให้ดูก็ช่างมันนะอันนี้บางทีมันยังเหมือนกันเลือกอยู่ว่าเอาเอยภาวะเออไม่ใช่ว่าถ้าถ้าไม่ดีเราจะเพิกเฉยแต่ว่าถ้าถ้าดีเนี่ยจะรู้สึกชอบจะรู้สึกว่าดีจังเนี่ยตัวนี้มันยังมีชอบมีชังอยู่อืมคือคือสังเกตให้ออก ว่ามันเกิดภาวะยังไงกันแน่ถ้าภาวะที่เราชอบใจมากๆมันจะเป็นภาวะเดียวกะที่มันมันมันหลงคิดไปนะหลงยึดไปแต่ถ้าคืออย่างน้อยโอเคมันมันไม่อยู่กับภาวะแบบงอมืองอเท้านะไม่ไม่ได้แบบมืออ่อนเท้าอ่อนไม่ทำอะไรเลย มันมันเป็นความเคลิมในแบบที่เออพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมานู่นนี่นั่นได้แต่สุขภาพตอนนี้โอเคฮะเริ่มดีดีขึ้น <c oughs> มันก็แล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ ะ, คะเคยฟังคุณดันตินที่เชียงใหม่อะค่ะวันนี้มาจากเชียงใหม่แล้วมาชาวโชคดีมากเปิดเฟซบุ๊กมาแล้วเจอ เคยเจอที่คณะแพทยศาสตร์เมื่อหลายปีก่อนออออละค่ะมีสองประเด็นนะคะที่อยากจะเรียนถามคือตัวเองฝึกหลายวิธีค่ะคือบางทีรู้สึกเหนื่อยเนื่อยก็นั่งใช้นั่งสมาธิดูลงแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นก็จะนั่งสร้างจังหวะหรือไว้ก็เดินจงกรมโดยความเป็นส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าฝึกอย่างนี้แล้วมันดีอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีแรงทางานหรือว่าหรือว่า แ ต, แต่ก็ไปเจอว่ามันหลายวิธีเกินไปมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกสงสัยคือหลายวิธีเนี่ยมันไม่ได้น่ารังเกียจหรอกนะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเร า, เราไม่สับสนเนี่ย<า>จะ ก, กี่วิธีไม่เป็นไร แล้วก็ถ้าหากว่ามันสร้างแรงบันดาลใจเออเราอยากจะเจริญสติระหว่างวันเอาทุกท่าเอาทุกไม้นะแบบนี้มันออก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นสร้างความเข้มแข็งให้สติด้วยด้วยทุกอุบายนะเรียกว่าอย่างนั้นประเด็นคือบางครั้งยัง ตอนพยายามเคลื่อนไหวสร้างสตินด้วนกันมันเป็นการมันเป็นการรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวจริงๆหรือว่ามันมีความฟงสร้างกลนอยู่ด้วยพอสังเกตออกไหมพอสังเกตออกบ้างค่ะบ า, บางครั้งเรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวจริงๆแต่บางครั้งมันเป็นแค่ข้ออ้างในการในการเปลี่ยนท่าฟงสร้างเข้าใจทานี้ไหม คือบางทีเนี่ยเรานอนอยู่เราก็พุ่งสร้างได้แต่พอเรามาขยับเคลื่อนไหวเรามีามข้ออ้างแล้วว่าเนี่ยเราพยายามทําอะไรอยู่บางอย่างละเราพยายามเจริญสติแะแต่จริงๆมันพุ่งสร้างมันก็ยังพุ่งสร้างอยู่นะลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยคือควรจะเคลื่อนไหวในแบบที่เราเรารู้ท่านั่นก่อนไม่ใช่ไปรู้จังหวะทันทีคือคือ ของเรานี้จะมีมีอยู่สองแบบค่ะแบบหนึ่งคือรู้สึกคล้ายๆกับเหมือนกับพวกโยคะคือรู้ท่านั่งขึ้นมาก่อนนี่แล้วค่อยมาลุยขยับอย่างนั้นเนี่ยดีค่ะครับใจค่ะเพราะเพราะมันจะไม่ฟุงซานแต่พอเราคือทําด้วยความเคยชินเนี่ยเหมือนกับขึ้นขึ้นมารู้สึกจังหวะทันทีเห็นไหมมันจะรู้สึกถึงแค่มืออ้าเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้สึกเหนืยปวด แล้วตัวนี้แนี่ที่มันจะทำให้ความผุพางเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายที่สุดเลยนะเออยุย้ยไอ้แบตเนี่ยมันมีแบตมันมันมีแบตไอ้ชาร์ตสีดะที่ที่ก็อี้เขียวอันนี้นนจริงจริ ง, รงมันมันมีแบตมันมีเออนั่นแหละไอ้ก้อนดำน่นแหละอันนี้เปลี่ยนไหมท่ ลสงสัยไทมันแก่สั่งิเดิมเเนี่ยเนี่ยลองลองชอาจจะหมกแบชาร์เลเป็นคนรูเเอเพราะว่ามันยังไม่ได้จะคุยกันแล้วเมื่อกี้พี่เดิมอย่แยังยังก็พี่ยืดีเลยือดูเนอยู่คะแต่ว่ามเฉยแล้ววันนี้นิ่งใครมัคนที่ ยานผมก็ไม่คาวก็เลยปันีอันนี้ใส่ไม่ได้เพราะมันไม่พอดีลองดิหรือว่าอันนี้ให้ลองแล้วหนูที่ใช้อันนี้มาเดีค่ะเดี๋ยวคุยกันแบบนี้ก่ะ มันต้องมีหลักให้ตัวเองนิดหนึ่งคือคนไม่ค่อยสอนกันว่าขึ้นต้นมาเนี่ยต้องรู้เอเรียบทให้ได้ก่อนถ้าไม่รู้เอิรียบทแล้วไปรู้อาการเคลื่อนไหวทันทีมันจะเป็นการจ้องเฉพาะจุดนะตัวนี้ที่มันจะทำให้เกิดอาการปรุงสร้นแต่ถ้าขึ้นต้นมาเรารู้สึกว่าเออเนี่ยคอตั้งหลังตรงอยู่หรือเปล่าหรือหลังงออยู่หรือเปล่าแล้วจากนั้นค่อยไปรู้เอรียบทอื่นๆที่ตามมา หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหลักน่าจะรู้สึกว่าเออเรากําลังรู้อาการเคลื่อนไหวอยู่จริงๆนี่แล้วของของคนนี่คือจะถ้าปุ้งส้ายมันจะพุ้งปุ้งกระจายอะ่ะนะแต่พอนิ่งเราก็จะรู้สึกเอ้ยเอ อ, เ อ, อมันสามารถนิ่งได้นี่มันมันมีอยู่สองแบบมีอยู่สองหมดพุ้งพุ้งกระจาย พอผ่อนนิ่งก็นิ่งได้ที่นิ่งได้เนี่ยเป็นเพราะของใหม่นะที่เรามาเจริญสติเราม า, ารู้อาการเคลื่อนไหวหรือดูลมหายใจก็แล้วแต่แต่ที่ฟุ้งเนี่ยของเดิมเป็นสมบัติเก่านะที่ติ ด, ต, ด, ต, ด, ต, ด, ต, ดตัวมาแต่ไหนแต่ไรนะก่อนก่อนเกิดมันก็ฟุ้งมาก่อนนะทุกคนแหละแต่ว่าอันนี้ของคุณเนี่ยเวลาที่ฟุง้งนิสัยนิสัยทางจิตเวลาที่ฟุ้งเนี่ยมันจะฟุ้งแบบเออ่ ฟุ้งแบบอดครวนน่ะคือเข้าใจคำว่าฟุ้งแบบอดครวนไหมมันมันมีอาการดั่ร้องอยู่ข้างในมันมันมีอาการคื อ, อ, อรู้สึกไหมว่าเวลาที่ฟุ้งสัน้นมันมันจะฟุ้งแบบที่ว่า ดันดออกไปอ่ะเข้าใจคานี้ไหมคือคือไม่ได้ฟุ้งอยู่แค่ข้างในแต่มันเหมือนจะเอาอะไรเอาอะไรอย่างหนึ่งพอจะเข้าใจไหมรู้แต่ว่าเวลาฟุ้งมันจะไปกลับมาใหม่แบบนี้ค่ะคือคือไม่ได้ฟุ้งแบบธรรมดาค่ะคือฟุ้งแบบมีอาการอยากได้อะไรด้วย อ๋อมีความอยากตลอดค่ ะ, น, ะ, คะนั่นแหละตัวนั้นแหละค่ะคือคือบางทีเนี่ยคนทั่วไปปรุงสร้างเนี่ยมันจะไม่ได้อยากได้นู่นอยากได้นี่เสมอไปแต่ของคุณเนี่ยคือพรุงแล้วมันปรุงด้วยอาการอยากได้นั่นอยากได้นี่มีอาการเหมือนกับ เ, เรียกร้องจะเอาอะไรให้ได้อย่างใจสักทีอะไรทํานองนั้นแหละนะขอให้สังเกตตรงนี้พ o i n t พลอยของการสังเกตเนี่ยความพุ่งสร้างของเราตอนที่มันอยากเอาอะไรเข้าตัวเนี่ยมันจะมีอาการยื้อไม่หยุด mm hmm. เข้าใจไหมคือตราบใดที่เรายังไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยมันจะมีอาการยือ้อนะตัวเนี้ยความพุ่งสร้างมันจะวนด้วยอาการยื้อนี้คแต่พอเราเห็นอาการยือ้อถ้าเราเห็นอาการยื้อได้มันจะเห็นความพุ่งสร้างเนี่ย มันค่อยค่าตัวลงคือคือเห็นเห็นตรงเนี้ยนะเห็นเห็นออกมาจากไอ้เครื่องปั่นมันมีเครื่องปั่นอยู่ข้างในเราเครื่องปั่นความอยากตัวเครื่องปั่นเนี้ยตราบใดที่เราไม่ไม่เห็นว่ามันปั่นมันจะปั่นไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเราเห็นมันปั่นมันจะรู้สึกว่าซาตัวลงสงบลงหรือว่าปั่นช้าลงของคุณจะเห็นได้ชัดเหมือนอาการที่ มันยื้อเนี่ยพยายามยื้อเนี่ยมันจะน้อยลงและตัวนี้แหละคืออาการที่แสดงความไม่เที่ยงของความปุ่งสั้นในแบบของคุณเข้าใจพลอยนะเออคือแทนที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปดูอยู่ไงว่าเอ้ยมันคิดคิ ด, ค, ดคิดเนี่ยแล้วจับจุดไม่ถูกมันก็ไม่ไม่แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นแต่ถ้าไปจับตรงเนี้ยตรงกลาง อย่าบอกว่ากลางอกเลยตรงกลางๆเราจะเห็นอาการเยื้อเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันเบาลงเห็นไหมเมื่อกี้มันก็มีอาการออกมานิดๆเพราะเราพูดถึงมันแล้วก็เลยเกิดอาการทบทวนค่ะมันย้อนกลับไปตอนที่นั่งภาวนาแล้วมันเห็นอาการอาการฟุ้งไปเรื่อยอ่าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะแสดงความของความปุ้งไม่เห็นคแต่ถ้าเราไปดูอย่างที่ผ่านมาคุณดูความคิดในหัวอย่างเดียว มันก็เหมือนกับไม่เห็นอะไรเลยเข้าไปกลางไอพายุที่มันปั่นไม่หยุดน้อยก็จับไม่ถูกว่าจะเอ า, าตางไหนดีะนะครั้เนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นอาการขาดขาดท่อนของกระแสความคิดนะัมันเริ่มมัาจากอาไการเนี้ยตัวเนี้นยนประเด็นที่สองก็คือว่าเวลาอยู่ระหว่างวันนะคะก็จะมีลมหายใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มันชอบไปติดเพ่งมันชอบไปอยู่เพราะนหลอาการยื้อนี่แหละอ๋อเหรอคะมันเริ่มจากอาการอยากทางนั้นเลยไงใช่ค่ะอยากอยากจะทําให้ได้แล้วมันก็มีอาการนัําร้องกับตัวเองเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้สักที่นี่แหละได้แล้วเมื่อกี้นี้ได้ p ล i n t ในการสังเกตค่ะว่าอาการยื้อนี่แหละที่ทําให้ไม่ได้สักที เมื่อกี้ตอนที่เห็นแล้วมันมันมันวูนบให้เห็นนะ่ะว่าเออเนี่ยมันขาดตอนได้จริงๆด้วยถ้าเราดูถูกจุดแต่ที่ผ่านมามันดูแต่อีกความคิดในหัวแล้วก็ไปรบกับตัวเองแบบเหมือนกับเอาความคิดไปรบกับความคิดมันก็ยิ่งคิดกระเจิงเข้าไปใหญ่นะคาถามสุดท้ายค่ะบางทีเหมือนก็จะเพี้ยนมากเกินไปอะค่ะไม่ได้เพี้ยนมากเกินไปนะมันอยากได้มากเกินไปอ๋อค่ะ เขียนพ้อยไหมคือเพียนเนี่ยมันมันเหมือนกับด้ําร้องกับตัวเองอะเมื่อไหร่จะได้ละทีเมื่อไหร่จะได้ลกทีมันก็เลยไม่หยุดที่ผมพูดไงว่ามันเหมือนมีมอเตอร์ปั่นนอะปั่นอยู่ไม่หยุดจนกว่าจะยื้อได้สิ่งที่ต้องการนี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะทางธรรมนะทางโลกด้วยนะคือมีอาการยื้อแบบเนี้ยในลักษณะเดียวกันแต่ทางธรรมเนี่ยจะจะมากกว่าจะแรงกว่าแต่มันเริ่มต้นมาจากทางโลกนั่นแหละ วิธีเดียวกันเข้าใสและคะ่ะไม่เป็นไรเอียงเอียงนิดนึงใั่ไหมโอเคเ อ, อ๋อสงสัยยังไม่เป็นไรใช่สงสัย โ, โอเคค่ะโอเคค่ะก็แรกนะคะก็เป็นมือใหม่เลยเพิ่งจะเริ่มเลย ที่จะเริ่มฝึกปฏิบัตินะคะแต่ว่ า, าด้วยความที่เป็นคนที่ทำงานแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรคิดมากมายเกินไปเรื่องปฏิบัติก็คื อ, อยังยังไม่ก้าวหน้าเลยอะคะ่ะก็มีคำถาม อ, าอยากจะเรียนถามนิดนึงอะคะ่ะอย่างเช่นถ้ า, าในชีวิตประจาวั น, นะคะ่ะมีคนที่ไม่ค่อยจะชอบเราหรือถูกชะตากับเราม า, มากมากเกินไปอะคะ่ะ ได้ยินมาว่าการแผ่เมตตาช่วยได้ทุกวันนี้ก็พยายามแผ่เมตตาอยู่อยากทราบว่ามันจะได้ผลไหมและควรจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดออมีคนไม่ค่อยชอบเราอะค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับแผ่อยู่บ้างนี่ใช่ไหมเพราะเราเราก็ เราก็รู้สึกเหมือนไงนิ่งได้แล้วก็แผ่เมตตาออกได้เหมือนกันเป็นวูบๆบใช่ค่ะมันมันมีความนิ่งได้นะของค่ะแต่แต่มันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ดีพอไม่สักพอไม่ไม่ไม่คือคือพอเราไปตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยว่าจะเอาให้มันดีเนี่ยมันไม่ดีแล้วอืมคันไม่มีความสุขแล้วจําไว้ว่าตัวการ เมตตาที่แท้จริงมันต้องเริ่มจากความรู้สึกว่าสบายใจมีความสุขแล้วก็ไม่คาดคั้นตัวเองถ้าค า, าดคั้นตัวเองอยากจะแผ่เมตตาให้ดีอยากจะได้ผลสําเร็จว่าเขาจะมีทัศนคติกับเราที่ถูกต้องมากขึ้นเพะไปหวังผลมากเกินไปอย่างนี้เนี่ยความสุขมันหายไปแล้วแต่ของน้องคือเท่าที่เท่าที่เห็นนะมันมันจะมีช่วงที่ เราแผ่เมตตาและจิตนิ่งได้จริงๆอยู่สองสามวูบอะสองสามขนาดประมาณประมาณสักสี่ห้าลมหายใจได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเราจะรู้สึกว่านิ่งเลยรู้สึกเหมือนกับเออเนี้ยไม่กระเพื่อมไม่ฟุ้งไม่อะไรนนนี่นั่นนะเออ่แต่ว่ามันยังแคบอยู่เราถึงได้รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ดีพอถ่ายเหมือนกับยังมันยังไม่ค่อยไปไหนยังไม่เรื่องเท่าไหร่ อันนี้เป็นเพราะว่าจิตของเรายัางไม่มีกำลังมากพอนะส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งคื อ, อมันยังไม่คุ้นกับลักษณะของความสุขที่มันจะแผ่ออกไปเป็นเมตตาจริงๆถ้าอยากได้ตรงความเมตตาเนี่ยให้อย่างเมื่อกี้ตอนตอนทำสมาธิเนี่ยบางทีมันยัง ไม่ยังอดคิดไม่ได้อยู่คือคือมั น, ม, นมันก็มันก็มีช่วงที่ดีมันก็มีช่วงที่อยากคิดไปเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะตัวความรู้สึกอยากคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยมันจะเหมือนกับคืออย่างนี้นะตอนที่เรามีความสงบเนี่ยเราจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ มีสติอยู่กับเนื้อขาตัวตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เรียบร้อยได้แต่ตอนอยากคิดไปทางอื่นเนี่ยมันจะบงเบงวงเบ ง, บงเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะนึกออกไหมคําว่าบงเบงวงเบ ง, บงมันหมายถึงว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่เรียบร้อย อ, ะอ่ะค่ะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยนะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเห็นความแตกต่างได้ว่า มันจักตัวหนึ่งที่สงบเรียบร้อยสํารวมค่ะใช่ที่ขำนี้ก็คงเพราะเห็นความแตกต่างอ่ะนะ<ต> ว, ว่า <ans im> ว่ามันแตกต่างกันยังไงตอนที่มันบงเบงบงเบงเบนอีกตัวหนึ่งมันจะเรื่องตึงตังนิดนึง<แค>นะค่ะอ่าดีที่เราสามารถจะเห็นความแตกต่างได้เพราะมันชัดเจน อะไรก็แล้วแต่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมันจะทําให้เรารู้สึกได้เร็ ว, วไวเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันคือถ้ามันตัวใกล้ๆ ก, ก, กันฟุงงซ่านกับสงบเนี่ยมัน ม, มั น, มน<ห>เป็นภาพเดียวกันเออมันจะมองไม่ให้ออกแต่แต่ถ้าตัวหนึง่งโอ้โหเรียบร้อยนะครับตั้งใจสงบสงเเหนมคือพรเราตั้งใจเราเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแต่พออีกตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนตอนที่เรายังปล่อยให้ตัวเองหลุดโลกนะหรือว่าคือเราจะเป็นคนแบบมีเพื่อนคอเดียวกันนะที่มาผสมลงอะไรกันแบบนี้เยอะแล้วมันก็จะเป็นความปรุงแต่งตามความเคยชินตามสภาพที่มันสะสมมานี่พอเรามาเริ่มที่จ ะ, จะเจริญอาณาปานสติหรือว่าจเจริญสติระหว่างวันนะ การที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดเนี่ย mm hmm. ก็เอาตัวนี้มาเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยในระหว่างนั่งสมาธิ mm hmm. พอมันมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยนะอย่าปล่อยให้ใจของเราเนี่ยไปติดอยู่กับภาวะบงเบงตรงนั้นให้ให้กลับมาแบบเออเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่แล้วลมหายใจเนี่ยกาลังหายใจเข้าหายใจออกแล้ว ร, รู้ รู้แบบตระหนักยอมรับว่าเออมีอะไรที่มันออตึงตังตึงตังอยู่ในหัวเห็นโดยภาวะเป็นเป็นภาวะเปรียบเทียวว่าลมหายใจนี้มันตึงตังตึงตังขึ้นมาดูไปมันจะค่อยค่อยสงบอ่อนลงมาคือถ้าปล่อยตามมันด้วยความเคยชินแบบเก่าๆเนี่ยมันจะไปเรื่อยมันมันจะเหมือนกับ ไม่รู้จักอะว่าจเจริญสติเป็นยังไงหรือว่าการนั่งสมาธิเป็นยังไงมันมันแต่ก่อนมันไม่เอาเลยนะแต่พอเรารู้สึกถึงลมหายใจแล้วรู้สึกถึงอาการตึงๆไปยิ่งลมหายใจต่อมารู้สึกซาตัวลงมันกลายเป็นโอ้โหสงบเรียบร้อยจากจากตัวหนึ่งมันกลายเป็นอีกตัวหนึ่งชัดเจนแตกต่างตรงนั้นเนะ่ยมันจะเริ่มเห็นเข้ามาที่ความปรุงแต่งของจิตคือไม่ใช่เห็นเข้ามาที่จิตนะ อย่าอย่ามองเป็นว่าเออนั่นะนะคือจิตของเราแต่ว่าให้มองว่านี่อาการปรุงแต่งของจิตเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องแล้วจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งพอรู้สึกถึงความแตกต่างได้อย่างนี้เรื่อยๆนะค่อยไปดูตัวที่ว่าเออมันมันยังมีความอึดอัดอยู่ในตัวเราตอนตอนที่นั่งสมาธิ ถึงแม้ว่าตอนจะสงบดีๆนะเราเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีความอัดอั้นบางอย่างคล้ายๆกับว่ามันฝืนแล้วก็ไม่สบายเต็มที่พอจะเข้าใจตรงนี้ไหมภาวะตรงนี้ที่ที่มันที่มันยังไม่สบายที่มันยังปืดๆอยู่นิดนึงนะตัวที่มันยังปืดๆอยู่นิดเนี่ยเราอาจจะต้องสำรวจสังเกตว่ามันเพราะอะไรบางทีเนี่ย เราอยากได้ความสงบอยากได้ความสุขหรือว่าอยากได้ความนิ่งหรือว่ากําลังบังคับลมนะแต่ถ้าทําตามที่พี่ว่าเนี่ยอย่างมาไล่จากเท้ามือแล้วก็ใบหน้าขึ้นมาเนี่ยที่ที่อย่างเมื่อกี้เนี่ย<ค>รเร า, ร เ, ราเราจะรู้สึกว่ามันมันสบายแต่สบายแค่ตัวพอเรามาเริ่มดูลมหายใจมันอึดอัดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ว่าเออยังหายใจแบบอึดอัดอยู่มันจะเห็นเป็นช็อต ตอนสบายเพราะว่าไม่ได้พยายามตั้งใจอะไรมากตอนอื่นอาจเพราะว่าตั้งใจให้มันดีมากเกินไปหรือว่าตั้งใจให้ต่อเนื่องมากเกินไปเนี่ยอย่างตอนเนี้พอพอรู้ว่ามันมันรู้สึกโล่งสบายนะแล้วเวลาหายใจถ้าหายใจออกมาจากอาการโล่งสบายอย่างนี้เนี่ยมันจะรู้ได้เรื่อยๆแล้วความสูกอย่างนี้นี่แหละเวลาที่แผ่เมตตามันจะแผ่ออกไปจริงเนี่ยตอนเนี้ยถ้าถ้าเราแผ่เมตตาอาหลับตาหลับตาเลย เนี่ยแค่รู้สึกถึงความสุขที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมที่มันโลง่งที่มันสบายเนี่ยจะไม่ต้องตั้งใจอะไรมากนะแค่รู้สึกว่าเออก็แต่เมตตาแบบนี้เราอยากให้คนทั้งห้องเนี่ยได้มีความรู้สึกเหมือนกันกันกบเราแบบนี้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกดูไปเออว่ากําลังของความสุขที่มันแผ่ออกไปเนี่ยมันมากหรือน้อยบางทีมันก็จะหลีเข้ามานะแล้วเดี๋ยวมันก็กว้างออกไปแล้วก็เห็นความ ไม่เที่ยงของกระแสเมตตาของกระแสความสุขที่มันแผ่ออกไปเท่านั้นเอง<ะ>คือไม่ต้องไปแคร์ว่ามันจะมากหรือน้อยว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่แคร์ตรงที่ว่าเราเห็นหรือไม่เห็นว่ามันกําลังแสดงความแคบความกว้างไม่เท่าเดิมอยู่เรื่อยๆในที่สุดเนี่ยนะไอ้ตัวความรู้สึกไม่แคร์มันจะกลายเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขอันเกิดจากการไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นแต่อยากที่จะรู้อยากที่จะดูยอมรับตามจริงเป็นขนาดขนาดไป ตัวนี้กระแสะเมตตามันจะแผ่นเนียนขึ้นนะแล้วกระแสะแบบนี้แหละกระแสะที่มันแผ่ออกไปเต็มเนี่ยมันจะมีผลกระทบจริง mm hmm. คือไม่ต้องมานึกหน้าเขาตอนที่เรากําลังแผ่เมตตาก็ได้ <Ha. S 1> แต่คิดคิดก่อนว่าเราจะแผ่ไม่มีจํากัดไม่มีประมาณ mm hmm. พอมันเนียนจริงๆแล้วเราเค่อยถึงมานึกแค่นิดเดียวแค่อึดใจสองอึดใจว่าขอให้เขามีความสุขแบบเดียวกับที่เรารู้สึกอย่างนี้นะ เวลาเจอหน้าเขาจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความจำเก่าพูดขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออกระแสคือใบหน้ข่งเขากับกระแสใบนั่งเขามันจะมาออจุดชนวนความรู้สึกอยากแผ่เมตตาให้ เ, ออเหมือนกับที่เคยทำอย่างเงี้ยนะค่ะเข้าใจนะค่ะเข้าใจครับสวัสดีครับ ผมเพิ่งเคยคุยกับพิตูนครั้งแรกนะครับก็จริงเป็นคนที่มีปัญหากับการนั่งสมาธิมาตลอดนะครับก็นั่งแล้วมันจะอึดอัดแล้วก็สงบยากครับคือ ข้างนอกเราจะเหมือนคนอารมณ์ดีแล้วก็เหมือนกับชิวๆอะไรเงี้ยนะแต่ข้างในเนี่ยมันจะสะสมความไม่พอใจความหมึนอัดอะไรไปเยอะพูดง่ายๆว่าเป็นพวกโสดาจริตอยู่ข้างในแต่ข้างนอกจะไม่ค่อยคือนานๆจะแสดงออกต่อหน้าคนอะไรเงี้ยแต่ข้างในเนี่ยเราจะรู้อยู่ว่ามันแสดงออกอยู่เกือบตลอดเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมคือเหมือนกับว่า เราเราดูเย็นที่ภายนอกแต่ข้างในเนี่ยมันมีความอึดอัดมีความคัดแน่นอยู่เรื่อยๆด้วยด้วยกระแสความไม่พอใจเนี่ยแหละคือเราเป็นคนไม่พอใจอะไรเก่งมากอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยแบบมันจะรู้สึกอึง้งอึงและมันจะรู้สึกหนักๆขึ้นมาแต่ไม่ค่อยแสดงออกคือคนจะไม่ค่อยรู้เนี่ยพอพี่พูดถึงไอ้ภาวะตรงเนี้ยเรารู้สึกเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันรู้สึกโล่งขึ้น เนี่ยตอนเนี้ยที่มันรู้สึกว่าเหมือนกับเบาเหมือนกับไออาการคัดคัดแน่แนๆ่นไออาการที่พยายามเกรงพยายามคุมตัวเองเนี่ยมันน้อยลงมันมันเปิดเป็นอิสระมากขึ้นอ่าตัวเนี้ยเวลาดูดูอย่างนี้แหละเหมือนกันเวลานั่งสมาธิคือพอเราไม่ได้อย่างใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราไม่พอใจมันอย่างแรงคือไปไปตั้งสเปกไหมพูดกันตรงตรงคือเหมือนไงเราจะต้องเก่ง เข่งทุกอย่างเข้าใจใช่ไหมพอนั่งสมาธิเราเราเราล็อกภาพตัวเองไว้ว่ามันจะต้องนั่งได้นั่งเก่งตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าตอนตอนเด็กๆอาจจะเคยนั่งได้ดีหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่าเราเราเรามีภาพอยู่ในใจอะว่าเราน่าจะทําได้แล้วก็น่าจะทําได้ดีน่าจะทําได้เร็วนะพอทําไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าตอนเนี้มันกลายเป็นว่าพอนั่งปุ๊บเนี่ย มันรู้สึกถึงอารมณ์ที่เป็นลบแล้วคือมันมันมันตั้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพอนั่งลงมันจะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ซึ่งความทุกข์เนี่ยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นมาจากการไม่พอใจตัวเองการไม่พอใจผลงานว่าของเราพอไม่ไม่พอใจผลงานของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะไม่เลิกมันจะจิกตัวเองไม่เลิก นี้ต่อไปไม่ใช่แค่ให้สังเกตในขณะจะนั่งสมาธิแต่ในขณะทํางานเวลาเห็นเห็นใครไม่เข้าท่าทําอะไรไม่เข้าท่าไม่เอาไหนเนี่ยลองสังเกตใจตัวเองมันมีอาการแบบกระเทืยนกระหือเรือเข้าใจคํานี้ไหมมันมันมีอาการปั่นปว่วนมันมีอาการอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาหรือว่าหรือไม่ก็อีกทีหนึ่งคือนึกดูถูก เข้าใจอารมณ์ตรงนี้นะเมื่อไรที่เกิดอารมณ์ทำนองนี้ให้เราเข้าใจว่านั่นคือคือไปไปแปะป้ายให้มันนิดหนึ่งว่านี่แหละต้นเหตุของความอึดอัดนี่แหละต้นเหตุของความทุกข์ภายในคนอื่นบางทีมองไม่ออกนะว่าเราคิดเหมือนเราเฉยๆอยู่มองมองด้วยอาการเฉยๆแต่ข้างในมันเต็มที่เลยพอรู้สึกถึงอาการเต็มที่ข้างใน จะด้วยความไม่พอใจจะด้วยความรู้สึกโกรธจะด้วยความรู้สึกเคยเคยไหมเคยเคยรู้สึกไหมเหมือนกับว่า เ, เรื่องนี้มันไม่เห็นหน่าโกรธมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็โกรธเราไม่พอใจเ <Okay. S 1> นี่ยตัวเนี้ยนะถ้ายิ่งดูเราจะยิ่งเห็นว่ามันสักแต่เป็นอาการเหมือนกับที่เมื่อกี้พี่พูดแล้วเราเกิดความรู้สึกมันเบามันโล่งไหมมันจะเป็นอาการเดียวกัน ยิ่งมีความไม่พอใจทํานองนี้เกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่แล้วเราเห็นไปด้วยอาการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นนะมันจะยิ่งเบาบาวๆไปแล้วกลับมานั่งสมาธิอีกทีคือยอมรับทุกสภาพมันจะอยู่ในภาวะพุงสั้นมันอยู่ในภาวะอึอดอัดอยู่ในภาวะไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ดูไปเป็นทีละลมหายใจลมหายใจนี้มันรู้สึกอย่างนี้อีกลมหายใจหนึ่งมันต่างไปแค่ไหนนะ ด้วยความยอมรับตามจริงไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นแบบที่เราแปลกใจตัวเองเลยว่าฐานที่ที่เรารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเราน่าจะทำได้ได้ดีเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าเรามาติดอุปสรรคมาติดไอ้ตัวความไม่พอใจอย่างไม่สมเหตุสมผลนี่แหละคือมันมันเคยชินที่จะไป สร้างไอ้ภาวะความไม่พอใจขึ้นมามันกลายเป็นนิสัยทางจิตที่เราเหมือนกับไม่รู้ว่าจะเอาออกไปยังไงเพราะว่าภายนอกเนี่ยเราไม่แสดงออกหรือแสดงออกก็นานๆนทีด้วยอาการที่อดไว้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือนานๆทีใช่ไหมเราถึงจะแสดงออกสักทีนานๆทีแต่ก็ระเบิดไปเลยครับอ่านะมันก็ปุ้งองมา เพามันเก็บอัดไปเยอะแต่ถ้าต่อไปคือเราไม่ใช้วิธีเก็บอัดแต่ใช้วิธีรู้และยอมรับว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่ไปตั้งไม่ไม่ไปไม่ไปคิดไว้ก่อนว่าเนี่ยเป็นภาวะแย่ๆภาวะไม่ดีภาวะที่ไม่น่าเกิดขึ้นในตัวเราเลยแต่เราแค่ยอมรับว่าเออเนี่ยมันเป็นความโกรธอย่างไม่สมเหตุสมผลเป็นความพอ เป็นความไม่พอใจที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกหนักเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอาการดิ้นรนอยู่ข้างในภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังแสดงออกถึงโทสะตรงนั้นนะเรารู้ไปด้วยอาการยอมรับยิ่งมากเท่าไหร่มันยิ่งเย็นลงเท่านั้นแลคุณภาพจิตของเราเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในสภาพที่มันควรจะเป็นตามศักยภาพของมันจริงๆนะบางที พอเนี่ยพูดพูดกันง่ายๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคือพอเรารู้สึกว่าเราเก่งมันมันจะมีแรงอัดทํานองเนี้ยอยู่ว่าเราต้องทําได้ทุกอย่างพอมีอะไรที่มันไปไม่ได้ทําไม่ถูกมันก็จะนึกด่าตัวเองลนะทํานองเดียวกันกับที่เรานึกดูถูกหรือว่านึกด่าคนอื่นที่เขาไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องอะไรแบบเนี้ยนะ มันมันมันเหมือนกับย้อนกลับเข้ามานี้พอเราเห็นว่าไอ้นี่เป็นแค่ภาวะที่ทําให้เราอึดอัดไปเฉยเฉยเท่านั้นแหละมันมันเป็นแค่ภาวะที่ผ่านเข้ามาแล้วเรายอมรับมันมันก็จะเบาเบาเาโลงไปจนกระทั่งเหมือนกับนิสัยทางใจไอ้ที่มันเคยชินมานานตรงนี้มันหายไปพอหายไปตรงนี้แหละศักยภาพของเราจะแบ่งบานออกมาเต็มที่นะคือคือจริงๆที่ผ่านมาก็รู้ว่าตัวเองก็ ก็มีโทสะเยอะแหะครับแต่ก็จริงจริงก็เห็นอยู่แต่ที่ผ่านมาแสดงว่ามันมันไม่เป็นกลางคือที่ผ่านมามันเหมือนกับเราท่องเราท่องเอาว่าเนี่ยโทสะแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พี่พูดถึงเนี่ยแล้วเรานึกออกอว่ามันมีอาการรุนแรงอยู่ข้างในคือเห็นเข้าไปที่ภาวะจริงๆว่ามันมีอาการดิ้นๆอยู่แล้วพอเห็นปุ๊บมันเหมือนกับยอมหายไป ที่ผ่านมามันไม่ยอมหายไงเพราะคล้ายๆกับไปแปะไป้ายไว้เฉยๆไปคิดถึงว่าเนี่ยตัวโทสะเนี่ยตัวความไม่พอใจเห็นความต่างไหมคือแต่ก่อนคิดถึงคําว่าโทสะแล้วไม่ได้ไปดูมันแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นชัดๆเลยว่ามีอาการดิน้นพอพอเห็นอาการดิ้นมันมันเลิกดิน้นมันปลอดโปรง่งมันเบานี่คือข้อแตกต่างน้องลองไปสังเกต แต่ละครั้งที่เห็นเนี่ยมันเห็นไม่เหมือนกันนะเราเราท่องไว้ก็จริงว่าเออสักแต่เห็นสักแต่รู้แต่ตัวอาการของใจจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สักแต่รู้ถ้าขาดตัวยอมรับไปตัวหนึ่งเนี่ยของน้องมันไม่ชอบยอมรับไงอะไรที่มันเป็นภาวะไม่ดีเนี่ยมันไม่อยากยอมรับมาตั้งแต่ต้นถึงแม้ว่าเราจะไปเห็นว่ามันเป็นโทสะแต่มันไม่ได้เห็นลักษณะของโทสะ มันมีแต่ความคิดว่าเนี่ยโทสะอยู่จากอาการรอบนอกอย่างเช่นร้อนอย่างเช่นอาการไม่สบายมีความรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ข้างในแต่ไม่ได้เห็นตัวอาการจริงๆที่มันกำลังดิ้นพล่านอยู่นะลองไปสังเกตดเออูเป็นคนที่มีปัญหาว่าเวลานั่งสมาธิอะค่ะไม่สามารถจะนั่งแบบเป็นเวลานานๆได้อะค่ะมันจะติด เคิมๆหรือว่าบางทีก็พออย่างเมื่อกี้ถ้าที่นั่งอะค่ะก็คือมีวูบนึงรู้สึกว่าเออรู้สึกตัวเออเกิดจะกเขิมอยู่มารู้สึกตัวสักพักหนึ่งก็จะเริ่มฟงซ่านว่าเ อ, อ๊ะเราควรจะทําอย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะอืมเลยไม่รู้ว่าดูดูตัวที่มันรู้สึกงงๆนะเราเราจะเหมือนกับไม่ปักใจเหมือนกับไม่สามารถโฟกัส ตราบใดที่มันยังงงงอยู่เนี่ยอย่างอย่างตอนเนี้ยมันยังงงงอยู่เล็กๆเขียนอาการงงงงไหมเนี่ยพอรู้สึกถึงอาการที่มันเหมือนกับไม่ชัดเจนเหมือนกับมีอาการที่โยกแยกไปมานะแล้วเราเราเห็นอาการโยกแยกไปมาเนี่ยเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่มันปรากฏในลมหายใจนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเห็นตามจริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่ได้เห็นตัวที่กำลังปรากฏเด่นที่สุดมันไปพยายามเห็นอาการที่ยังไม่ปรากฏเด่นเช่นลมหายใจลมหายใจของเราจะแผ่วแล้วก็เหมือนกับความตั้งใจเนี่ยมันจะมีอยู่ในใจประมาณว่าอยากสงบอยากสงบแต่ตัวงงเนี่ยมันเป็นตัวที่กำลังปรากฏเด่นที่สุดเราไม่เห็นเข้าใจปอยที่พี่พูดว่าอ่าเนี่ย พอพอเราเริ่มรู้สึกถึงอาการงงๆงั้นเนี่ยดูดูตัวเนี้ยกําลังปรากฏอยู่ในลมหายใจนี้นะคือแค่ยอมรับว่าเออมันมันยังงงๆอยู่มันเหมือนในหัวเนี่ยไม่รู้จะจับอะไรไม่รู้จะคิดอะไรเออเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมรู้สึกถึงความชัดเจนขึ้นไหมค<อ>่ะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยดูไปดูในลักษณะอย่างนี้เวลาที่มันงงๆขึ้นมาเราหายใจขึ้นมาทิ้งแล้วยอมรับสภาพอาการงงๆเนี่ยมันจะไปมีอาการ เซไปเซมาไม่ชัดเจนแล้วเหมือนกันในหัวเนี่ยไม่รู้จะจับอะไรไม่รู้จะคิดอะไรเราอาการที่แบบเคิมๆ เ, เวลาที่มั น, ม, นมาจากไอตัวนี้คือเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มต้นขึ้นมาจากอาการงงๆไงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบางทีต้องไปแก้นินดนึงด้วยในชีวิตประจวันคือทำอะไรเนี่ยเราต้องทำทันที อย่าผัดวันประกันพุ่งนะแล้วก็อย่าอย่าเป็นคนแบบใครชวนแล้วถึงจะเอาตามคือบางทีถ้าอะไรดีๆเราคิดได้เองเนี่ยต้องทํานะเคยรู้สึกไหมถ้าไม่ชวนใครหรือใครไม่ชวนเนี่ยบางทีเราจะเ อ, อเหมือนกับไม่แน่ใจเหมือนกับไม่มั่นใจว่าจะทําดีหรือไม่ไม่ทําดีต่อไปถ้าหากว่า เราอยากทําบุญน้องลุกขึ้นมาทําเองนะเอาคนเดียวเลยไม่ต้องชวนคนอื่นหรืออยากจะนั่งสมาธิเนี่ยคือบางทีมีข้ออ้างข้ออ้างนู่นนี่นั่นนะหรือมีความความอยากนอนอยากความอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยมันเอาชนะได้ก็ให้บอกตัวเองเลยวะนะ่าเนี่ยสงครามอยู่ที่ตรงนั้นแหละสงครามชิงตัวตนเนี่ยนะตัวตนเก่าหรือตัวตนใหม่เนี่ย มันจะเกิดขึ้นก็ตรงนั้นแหละตรงระหว่างที่นอนกับที่นั่งสมาธินะบางทีเราแท้เราตั้งใจอะไรดีๆแล้วเราผ่านวันบาปกันพุ่งนะหรือไม่ตั้งใจดีๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันไม่ดีมาแย่งตัวไปมันจะอยู่ในภาวะรู้สึกแบบเนี้ยครึ่งๆกลางกาง แล้วก็บางทีนะเราอาจจะอยู่ในอารมณ์ประมาณว่าอยากเขียนผลง่ายๆอยากที่จะรู้สึกว่าเออมันทำสำเร็จโดยอาจจะไม่อยากรอไม่อยากรารอเวลานะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนคือบอกตัวเองว่าถ้าหากไม่มีการพัฒนาไปตามลำดับ ไม่มีการใจเย็นทำไปเรื่อยๆมันจะวนอยู่กับที่น้องรู้สึกไหมบางทีเนี่ยเราทําอะไรไปมันวนอยู่กับที่รู้สึกใช่ไหมนี่คือส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ในหัวเรามันมีความรู้สึกเวลาจะนั่งสมาธิมันเหมือนง ง, งๆเพราะว่าเราวนอยู่กับที่วนวนอยู่อาการที่ว่าเออจะออกจากจุดเริ่มต้นยังไงเราเป็นประเภท พอออกจากจุดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยอยากจะกระโดดไปถึงเป้าหมายเลยไม่ผ่านไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเดินทางเห็นพอย์ของตัวเองไหมพอมันมีอาการที่จะอยากาจากจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายแค่ก้าวเดียวเนี่ยแล้วก้าวไปไม่ถึงคือทางขาไปไม่ไม่ถึงเนี่ยก้าวเท้าไปไม่ถึงเนี่ยมันจะรู้สึกท้อ มันจะรู้สึกว่าโอ้แขวนคว้างเหมือนลอยอยู่กลางทะเลแต่ถ้าหากว่าเราทำใจยเย็นบอกว่าเออมันอาจจะต้องมีอีกร้อยเก้านะอาจจะต้องมีอีกถึงพันเก้านะแต่เราค่อยๆเดินทีละเก้าใจยเย็นไม่เร่งให้ถึงเก้าสุดท้ายในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ค่อยๆทำไปทีละวันทำไปจนตายทำไปจนเนี่ยคืออาจจะมีเวลาอีกกี่สิบปีก็แล้วแต่เราจะทาทุกวัน ค่อยๆทําตัวเนี้ยมันจะทําให้ใจเย็นลงแล้วอาการที่เหมือนกับวนติดวนอยู่กับที่จติดวนอยู่กับจุดเราเริ่มต้นเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงเราจะรู้สึกเหมือนก้าวออกมาทีละวันทีละวันนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆมันรู้สึกขึ้นมาเองเดินมาไกลละไอ้นี่มันมันเหมือนไงเรารู้สึกอยู่กับตัวเองไงว่ามันอยู่ที่จุดเริ่มต้นตลอดใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมว่ะ มันไม่ได้ไปจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะเราใจร้อนแงอยากจะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยในก้าวเดียวแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเ อ, อเห็นลมหายใจได้ไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะต้องดูตัวนี้ไงดูเตือนตัวที่พี่ชี้ให้ดูะว่าเรารู้สึกอยู่ในหัวว่าเซไปเซมาตรงนั้นนึกออกใช่ไหมค่ะนึกออกค่ะพอพอเรารู้สึกเซไปเซมา อลากลมหายใจขึ้นมาทีหนึง่งคือไม่ใช่ดูแต่อาการเซเพราะพอเซแล้วเราไปดูมันเนี่ยไปจ้องมันเนี่ยมันจะกลายเป็นยิ่งเซหนักเข้าไปอีกแต่ถ้ารู้สึกเซเซเซเอยู่เป๋เป๋เป๋เปอยู่ในหัวเนี่ยนะงงงไม่รู้จะจับตรงไหนเนี่ยลากลมหายใจขึ้นมาทีหนึง่งแล้วรู้ว่าลมหายใจนี้เรารู้สึกเป๋เปอยู่แต่เห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยมันดีขึ้นมันเหมือนเป๋ น, น้อยลง แค่เป๋น้อยลงเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงแล้วแสดงให้เห็นว่าอาการเป๋นเนี่ยมันแตกต่างไปแล้วเห็นไหมรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมที่เห็นความแตกต่างตัวรู้สึกดีที่เห็นความแตกต่างเนี่ยนี่ตอนนี้กลับมางงงงใหม่เห็นไหมมันกลับมาอีกแล้วให้ดูอีกคือไม่ใช่เพื่อจะให้ท้อว่าเราไปไม่ถึงไหนสักทีแต่ให้เพื่อให้ดูไปทีละลมหายใจ ทีละเก้าทีละเก้าว่ามันแตกต่างไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราเห็นความแตกต่างมันจะมีกําลังใจมันจะมีความรู้สึกนิ่งๆขึ้นมาได้นิดนึงไอ้ตัวนี้มันจะทำให้ค่อยๆมีกําลังใจแ้ะต่อไปเวลาเราตั้งใจจะทำดีจะทำบุญจะรักษาศีลจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือให้คิดเลยว่าต้องทำให้ได้ แล้วความความมีกำลังความตั้งตั้งมั่นเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวมันปฏิบัติสมาธิเอาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างบางทีเราเอาจุดมุ่งหมายนะว่าวันหนึ่งเราจะทำอะไรแล้วตั้งใจให้ได้คือให้กันบ้านตัวเองนิดนึง ไม่งั้นเนี่ยมันจะลุกขึ้นพาแล้วเหมือนกับไม่รู้จะเราเราเราจะค่อนข้างทำแบบหุญญญ่นยนต์แทําทำาไปตามหน้าที่นะแต่ถ้าหากว่าในความคิดของเราชัดเจนว่าเราอยากทำอะไรเคยรู้สึกไหมเหมือนบางทีมันไม่ได้หักทำอะไรชีวิตมันสบายๆเรื่อยๆพอไม่อยากทำอะไรปุ๊บมันเหมือนจุดหมายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ แล้วตัวนี้แหละที่จะทำให้จิตขาดน้ำหนักคือมันไม่มีกำลังที่จะไปให้ถึงที่ผ่านมามันง่ายๆไปหมดจากก้าวแรกนี่ถึงก้าวตุดท้ายนี่เราจะเอาก้าวเดียวตลอดเลยนะสว<อ>ัสดีค่ะพวดีครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่เคยตั้งใจแบบนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นเรื่องเปล่าก็เลยยังไม่ทราบว่าจะถามอะไรคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะพี่ตุนชื่อพักคะ่ะเคยถามพี่ตุนทางเ c e b o o k พี่ตุนแนะนำให้ไปดูลมหายใจอะคะ่ะแต่ว่าไปดูแล้วไปดูบ้างคะ่ะดูแล้วรู้สึกว่าบางทีก็เหมือนไปจ้องไปควบคุมอะไรทั้งนองเนี้ยคะ่ะใช่เพราะเราเป็นอย่างนั้นคือโดยนิสัยตังใจของเราเนี่ยมันมันชอบชอบวงการอ่าแล้วบางทีเนี่ย พอบงการแล้วไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันจะเกิดโทสะค่อนข้างเป็นคนเกิดโทสะแรงเมื่อไม่ได้อย่างใจนะคือแค่คิดแล้วแบบอยากให้เป็นอย่างนั้นใครเป็นอย่างนงั้นใครเป็นอย่างนี้เราไม่เป็นเนี่ยเราเอ า, เอาละมันมีอาการของขึ้นขึ้นมาการนั่งสมาธิก็เช่นกันนะพอเราดูลมหายใจเนี่ยคือเรายังไม่ทันเห็นลมหายใจเลยเราไม่พอใจแล้วทำไมเราต้องมาดู ทำไมต้องมีภาระอย่างนี้เอออยู่ดีๆเนี่ยคือเราเราจะมาลดภาระแท้ๆเราจะมาทางนี้เนี่ยเพื่อจะให้มันมีความสุขมากขึ้นจะให้โกรธน้อยลงขึ้นมาลมหายใจแรกเอาเลยโกรธโกรธและคนสั่งเนี่ยมาสั่งให้เราต้องไปทำอะไรเพิ่มงานหนักเห็นไหขึ้นต้นมาเนี่ยมันเลิกไม่ดีแล้วนะตอนที่ เราสามารถยิ้มได้อย่างนี้รู้สึกว่าเออมันจิตใจมันผ่อนคลายได้ตัวเนี้คือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องพอใจมันผ่อนคลายนะแล้วค่อยเหมือนถามตัวเองเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกคือไม่ใช่ผาระหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วแต่การรู้เราเราแค่เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะฝึกให้ใจเนี่ยมัน เลิกหรือถอนออกมาจากอาการบงการซะบ้างคือที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเราจะรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนชอบบงการนะแล้วพอไม่ได้อย่างใจเรารู้สึกว่ามันมีความร้อนรุ่มนี้ถ้าเราเห็นว่าลมหายใจเนี่ยมันเข้าออกอยู่ตลอดแล้วเราไม่ได้ไปบงการลมหายใจ แล้วไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับให้ตัวเองต้องไปรู้อยู่เรื่อยๆนะเอาแค่ว่าเราสังเกตเห็นเป็นขณะขณะว่าเราหายใจด้วยอาการเป็นอิสระแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ได้อย่างไม่ต้องบังคับใจตัวเองตัวนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสติที่ถูกต้องในตัวเราแล้วที่ผ่านมาที่เราบอกทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่ได้ แต่เพราะว่าเราไม่เข้าใจอาการของใจตัวเองอย่างนี้คือพี่พี่เข้าใจนะมันมันไม่ได้ตั้งใจอะไรทั้งนั้นแหละว่าเอ้ยทำไมพี่ต้องมาบอกให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้ออะไรคือคือมันไม่ใช่เจตนาแต่มันคิดขึ้นมาเองนะโดยที่เหมือนกับเป็นความเคยชินนะ่ที่จะอยากเป็นอิสระอยากเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะบงบงการคนอื่นไม่ใช่คนอื่นมาบงการตัวเองนะมันมันเหมือนกับ อย่างนงี้เราฝึกลมหายใจฝึกดูลมหายใจเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองว่าเราต้องมาถูกบังคับควบคุมหรือว่าถูกโยนภาระให้เราจะไม่ชอบมากเวลาที่ใครมาโยนภาระให้นะโดยเฉาะยิ่งตอนที่เราต้องไปเป็นลูกน้องแล้วก็ต้องทำตามคำสั่งมันจะโกรธอยู่ตลอดทั้งที่บางทีเนี่ยคือเขาไม่ได้สั่งอะไรเกินหน้าที่เราเนะแต่เรารู้สึก โดนสั่งอีกแหละเนี่ยความเป็นเจ้าใหญ่ในโตเนี่ยมันมันฝังแน่นมาโดยไม่รู้มาจากไหนอาโอเคไม่ต้องไปเลยลึกชาติก็ได้แต่ว่ารู้ก็แล้วกันยอมรับก็แล้วกันว่ามันมีอยู่ในใจเราจริงๆนี่การที่จะค่อยๆถอดถอนเห็นไหมเนี่ยตอนนี้จิตมันคนละคนละเรื่องเลยนะตอนที่มันเริ่มยอมรับตอนที่มันเริ่มเห็นเข้ามาโดยที่ไม่ไม่มีไอ้ตัวโทรศท์มากั้น มันมีอยู่แค่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีใครมาบงการไม่ได้มีใครมาบังคับแล้วพอเราเริ่มที่จะเห็นโดยไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความรู้สึกอึดอัดเวลาที่ความหงุดหงิดหรือความอึดอัดแบบเก่าๆมันกลับเข้ามาอีกเราก็จะเห็นได้ง่ายเนี่ยด้วยใจที่มันกำลังเบาอยู่อย่างเนี้ย ถ้ามันหนักขึ้นมาเราเห็นได้ทันทีถูกไหมด้วยใจที่มันกำลังเย็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเมื่อมันร้อนขึ้นมาเราสามารถเปรียบเทียวได้ทันทีถูกไหมเวลาที่เรา เ, เกิดความไม่พอใจเวลาถูกใครสั่งตอนที่เราคิดว่าวเราไม่ใช่ทาตนะเราไม่ใช่ฆ่าทาตนะเราในตรงนี้ลองนึกในใจดูนะ ว่าเราไม่ชอบอย่างไรเราจะไม่ทำกับคนอื่นอย่างนั้นคือด้วยความคิดด้วยความตั้งใจอย่างนี้มันเปลี่ยนเส้นทางกรรมของเราได้เลยนะเพราะของเก่าของเราเนี่ยไปบังคับคนอื่นไม่มากมากกว่าที่เราเข้าใจอ่ะคือคือตอนเนี้ยเราก็ยังติดนิสัยอย่างนั้นอยู่แต่ว่ามันจะมันจะแผ่วลงไปหน่อยคือคือจะมีความรู้จัก คิดนะว่าเอม อ, อย่าไปทำเขาเลยอะไรทํานองนี้แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ในใจแหละ ย, ยังมีติดอยู่ในใจทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าเราเกิดความไม่พอใจเวลาถูกฝังแล้วเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ไปบังคับจิตใจใครเขาหรือว่าไปทำให้ใครเขามาอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในบงการของเราโดยไม่สมเหตุสมผลมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึง่ง ว่าเออมันเป็นอิสระขึ้นมาจริงๆเนี่ยอย่างดูตอนตอ น, ตอนที่ฟังพี่พูดไปถ้าใจเราปรับตามไปด้วยมันจะรู้สึกเป็นอิสระขึ้นมามันเป็นอิสระจากตรงขังที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละกรรมเนี่ยที่เราเคยไปบงการคนอื่นไว้พอเราตั้งใจว่าจะไม่เอาอย่างนั้นอีกแล้ว ไอ้ความไม่สมุสมผลนั่นอะไรต่างๆมันเหมือนกับจะหลุดออกมาจากต้นขั้วของกลงมันเปิดกลงที่ตัวที่มันล็อกไว้เลยนะตัวประตูที่มันล็อกไว้ตัวที่มันไขเนี่ยใช้กุญแจดอกเนี้ยถ้าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกแย่อยู่ได้ไปอย่างตอนเนี้ยถ้าเราลองไปถูกใครเขาสั่งใหม่นะเราจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เหมือนเหมือนแต่ก่อน ด้วยจิตแบบนี้นะด้วยด้วยจิตแบบในขนาดเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเออมันก็แค่ตามหน้าที่ไปครั้งหนึ่งหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็ถูกแล้วที่จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่เพราะเรายังติดอยู่ในกรงของตัวเองนะเวลาที่ทําสมาธิเราก็เริ่มต้นจากจุดนี้เหมือนกัน ดิับพี่ตุลครับค ร, บราแพตุลแนะนำให้ดูความสว่างที่เกิดในชีวิตประจาวันในการทางานนะครับ่สิ่งที่ไปสังเกตเพิ่มก็คือว่าเวลาที่ทุกข์แล้วเกิดความยินลายเนี่ยมันเห็นมันยึดครับแต่ว่าถ้าสุขหรือว่าบางทีกิเลสเกิดเนี่ยแล้วเราชอบบางทีมันมันไม่ทันนะมันก็จะทิ้งระยะเวลายาวกว่าจะรู้ได้ครับ พี่ว่ามันไม่ได้ทิ้งนะคือเราแค่ยังไม่ชินเท่านั้นเองที่จะเห็นที่จะเห็นแบบเป็นธรรมชาติเนี่ย ค, คือมันไปสวยสุกก่อนคาว่าสเสวยก็คือว่าเข้าไปเข้าไปอิ่มเอมอ่าตรงนั้นก่อนแล้วค่อยถอนออกมาคือไม่ใช่ไม่เห็นมันก็มีอาการเห็นอยู่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถเอาชนะความพอใจที่จะสวยสุก นี่ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเข้าไปทีละนิดครับมันจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนอย่างเวลาที่เราเหนื่อยเราเพลียจากการทํางานเนี่ย บ, บางทีร่างกายมันจะเหมือนกับป้อแป๊ป้อ แ, แป๊แต่ข้างในมันยังสว่างอยู่ได้รู้สึกไหมเดี๋ยวรตรงนี้ก่อนคือคือรู้สึก ง, งั้นจริงๆใช่ไหมครับอตอนที่รู้สึกร่างกายป้อแป๊ป้อแป๊แล้วมันยังสว่างอยู่ได้มันยังสบายอยู่ได้เนี่ย ดูว่ามันมีความมันมีทุกขเวทนาทางกายแต่มีสุขเวทนาทางใจอันนี้มันจะเป็นข้อสังเกตให้ให้ให้เรามองว่าจริงๆสุขกับทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่มันมีความสุขทางใจเพราะว่าใจมันยังสว่างอยู่ได้แต่ร่างกายเนี่ยมันมาแสดงความทุกขให้ดูควบคู่กันไป พอเราเห็นอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าให้น้ำหนักทั้งความสุขและความทุกข์เนี่ยเสมอกันคืออะไรอย่างหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยกำลังปรากฏอยู่แต่โดยสาระโดยแก่สรสันมันไม่มีอะไรเลยต่อให้สุขแค่ไหนต่อให้มีความรูสึกน่าพอใจเพียงใดก็แล้วแต่มันเป็นแค่มันแค่นั้นน่ะมันก็ไอ้แค่นั้นเนี่ยดูจากตัวเนี้ยมันจะเริ่มค่อยๆไม่ ไม่หลงไปสวยสุขด้วยอาการขาดสติแล้วจะเริ่มค่อยๆเห็นความแตกต่างระหว่างไอ้ตัวภาวะที่มันแสนสบายไงตัวภาวะที่มันอึดอัดอ่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ใกล้กันนิดเดียวในภาวะความเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายมันหยาบหยาบแบบเนี้ยนะส่วนจิตถ้าหากว่าพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่ง ถึงความสว่างถึงความเบาได้แล้วมันก็แค่นั้นเนี่ยคือมันมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจะกว้างจะสว่างจะสบายแค่ไหนในที่สุดมันก็เหมือนกับไปได้แค่ความรู้สึกเป็นสุขเท่าที่มันจะเกิดขึ้นแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น มันก็กลายเป็นในความรู้สึกถึงเอสภาพร่างกายที่มันย่อบแยบหรือแม้กระทั่งความพุงสร้างมันกลับมานะเราก็รู้สึกว่าเออจิตที่มันเคยเปิดกว้างเนี่ยมันคับแคบลงมามีอยู่แค่นี้เองดูโดยความเป็นเนื้อหาที่แท้จริงของความสุขคือไม่ใช่ไปอย่างเมื่อกี้น้องบอกว่าสังเกตไม่ทันมันสวยสุขเข้าไปแล้ว ไอ้ตัวเนี้ยก็เพราะว่าเรายัางรู้สึกว่าความสุขมันมันเป็นของแปลกใหม่อยู่วันยังค่ําแต่ก่อนมันไม่สุขถึงขนาดนี้หรือว่าสุขถึงขนาดนี้แต่ไม่นานขนาดนี้ไม่เนียนขนาดนี้มันก็เลยเกิดความติดใจหรือเกิดความเห็นว่าเป็นของพิเศษแต่เนี้ยที่พี่ชี้ให้ดูเนี่ยก็คือว่าดูควบคู่ตอนที่เรารู้สึกเหมือนกับทำงานมาเหนื่อยๆแย่ๆ มันจะได้เห็นว่าทุกเวทนากับกกเวทนาจริงๆแล้วในภาวะของมนุษย์เนี่ยมันเฉียดกันอยู่แค่นิดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะนั่งสมาธิแล้วและอะไรก็คือสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิตามปกติ พอนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งก็จะมีเรื่องอย่างหนึ่งแวบเข้ามาในหัวแล้วเราก็จะแบบบอกตัวเองว่านั่งสมาธิสิอย่าคิดสิพนั่งสมาธิาธแล้วอะไรนะยจ๊ะก็อย่าคิดเรื่องนั้นทําใจให้นิ่งะคะ่ะพอนิ่งได้สักแป๊บหนึ่งก็จะไปคิดอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดิมมันก็จะเหมือนมันฟุ้งซ่านอย่อยางเงี้ยคะ่ะพอสักพักหนึ่งก็ก็เป็นอย่างงี้อีกเอางี้ อ, อน้องรู้สึกไหมว่าเวลานั่งสมาธิเวลาสวดมนต์เนี่ยมันชอบมีความคิดไม่ดีแว บ, บเข้ามาความความรู้สึกเหมือนกับเป็นเป็นความคิดถึงเรื่องไม่ดีเรื่องที่กวนใจรหรือว่าเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เข้ากันเลยกับตอนที่สวดมนต์ตอนที่นั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิตอนสวดมนต์มันควรจะนึกถึงสิ่งที่สูงนึกถึงสิ่งที่สว่าง แต่ว่าไอ้ความคิดที่แวบเข้ามาบางทีมันชวนเราไปเรื่องไม่ดีอะเรื่องเรื่องที่มันแย่เรื่องที่มันเป็นตัวกันข้ามรู้สึกใช่ไหม<ช>อ่าเนี่ยแล้วเรารู้สึกทรมานใจหรือรู้สึกลำคาญใจถูกไหมใช่ค่ะอ่าหรืออย่างระหว่างวันเนี่ยคือบางที เราขัดเครืองอะไรขึ้นมามันชอบมีคําด่าอยู่ในหัวเป็น อ, อะไรที่แอบคิดเนะี่ยเหมือนเหมือนแอบคิดว่าแอบคิดต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในเตี๊ยมงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วเรารู้สึกถึงอารมณ์โง่งิดที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกนานอีกระยะหนึ่งค่ะรู้สึกได้ใช่ไหมอะโอเค ถ้าหากว่าจะเอา เ, อา เ, อาเอาเรื่องของการเจริญสติหรือเรื่องของการนั่งสมาธิก็แล้วแต่เริ่มจากจุดนี้คือสังเกตให้ออกว่ามันสัมพันธ์กันบางทีอยู่ในระหว่างวันเราแอบคิดแอบคิดไม่ดีแอบคิดว่าใครนะแล้วตอนที่เรานั่งสมาธิหรือว่าจะมาสวดมนต์เนี่ยมันมันมีความคิดแย่ๆทํานองเดียวกันผุดขึ้นมา เราจะได้รับรู้ไงว่าจริงๆแล้วมันมันต้นสายปลายเหตุมาจากไหนชอบแอบคิดเนี่ยนะแล้วตัวความรู้สึกแย่ๆให้แปะป้ายมองไว้นะมองว่าเนี่ยจิตของเรากำลังเป็นอกุศลคือแทนที่เราจะจมอยู่กับความไม่พอใจ เอกับความคิดหรืออะไรที่มันแวบเข้ามาในแบบไม่ดี ค, คือแปะป้ายมองไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยจิตเรากำลังรูงร้สึกแย่จิตเรากาลังเป็นอกุศลมันมีแนวโน้มที่จะมืดมนแต่อย่างตอนเนี้ยพอพอเราเราคุยกันคุยกันอย่างนี้เห็นไหมรู้สึกสว่างขึ้นมันนิดนิดไหมใช่ค่ะคือมันเริ่มมีอาการยอมรับ ถึงสภาวะที่มันเป็นอกุศลตัวตัวการยอมรับสภาวะอกุศลคือรู้จักสภาวะอกุศลด้วยอาการที่ไม่ทรมานใจตัวนั้นคือสติตัวนั้นคือการรู้ตามจริงในสภาวะที่เป็นปัจจุบันเข้าใจพอ ย, ยไหมตัวสตินี่แหละที่ทำให้รู้สึกสว่างขึ้นเพราะบางครั้งเราหมกจมอยู่กับ ความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกไม่ดีค่อนข้างนานเวลาที่มันเกิดความขัดเคืองใจขึ้นมาในระหว่างวันโดยเพราะอย่างยิ่งเราชอบรำคาญคนคือแบบคนมาจุกจิ๊กอะไรกับเราเนี่ยเราจะไม่ชอบแล้วจะแอบดายอยู่ข้างในอ่านั่นแหละเริ่มพูดตรงจุด <c oughs> มันมันก็นง่ายขึ้นเนาะ จะอักกุศลกับเขามากแต่ว่ามั น, มน เ, ขเข้าใจเ ข, าเข้าใจ เ, เราเราเราพี่ถึงบอกไงว่ามันอดไม่ได้แอบอยู่ข้างในแล้วเราจะรู้สึกแย่นานแล้วมีวิธีแก้จะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะคิดดีแต่มันก็ไม่ยอมคิดดีเพราะมันเพราะเราไปฝืนใจตัวเองไงคือที่ผ่านมาเนี่ย ตัวเราเป็นคนไม่ชอบฝืนใจตัวเองอยู่แล้วไม่ชอบให้ใครมาฝืนใจอยู่แล้วแล้พอรู้สึกไม่ดีขึ้นมารู้สึกแย่ๆขึ้นมาก็ไปจะไปฝืนใจตัวเองว่าเออพยายามทําไงนะหาคือคือบางทีมีคําว่าทําไงนะทําไงนะอยู่ในหัวเนี่ยซ้าไปซ้ํามาแล้วก็ไม่มีทางออกคือไปพยายามคิดดีแกล้งคิดดีหรือแกล้งฝืนใจไม่คิดแย่ๆเนี้ยค่ะเห็นไหมมันส่วนทางอับตัวเอง สวนทางกัรนิสัยนั่งเดิมของตัวเองที่ไม่ชอบมาปืนใจไม่ชอบทั้งให้ใครมาปืนใจไม่ชอบทั้งให้ตัวเองปืนใจตัวเอง<ะ>ที่ถูกต้องคือเราแปะป้ายให้มันว่าเนี่ยคืออกุศลจิตมันจะแยกแค่ไหนมันจะหม่นแค่ไหนเราเราบอกตัวเองเลยว่านั่นคืออกุศลจิตอกุศลจิตเกิดขึ้นในเรา มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นนาทีนาทีหรืออาจเกิดขึ้นแค่แว บ, บเดียวแต่ถ้าเราแปะป้ายให้มันทันตรงนั้นแหละมันจะเริ่มมีสติเจริญขึ้นมาแล้วเหมือนอย่างตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าทำไมอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอกุศลจิตเกิดขึ้นแค่ยอมรับเนี่ยแค่คุยกันตรงไปตรงมาว่ามันเกิดขึ้นแล้วแค่ยอมรับมันก็สว่างขึ้นตัวที่สว่างขึ้นนั่นแหละแสดงการปรากฏตัวของสติ อย่างนะเนี่ยที่ที่มันรู้สึกว่าไม่มีอะไรมันรู้สึกว่างๆสบายๆได้นั่นคือสติที่มันยอมรับตามจริงไม่ใช่พยายามจะให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้อย่างถ้าเ อ, อเราราคาญคนเนี่ยมันจะมีหลายอาการที่เป็นปฏิกิริยาทางใจมันมีความรู้สึกอึดอัด มันมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยากหลบไปให้พ้นพ้นนึกถึงนึกถึงภาพทางใจภาพทางใจของคนพยายามจะหันหลังกลับอ่ะอยากจะหลีกหนีออกไปอยากจะไม่ต้องอยู่ตรงนั้นนึกออกใช่ไหมว่าสภาพนั้นเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะได้มองว่าเออเนี่ยลักษณะทางใจเนี่ยมันจริงๆแล้วเหมือนภาพเหมือนภาพคนกําลังพยายามวิ่งหนี แต่มันวิ่งไม่ได้ขามันอยู่กับที่ขาในโลกความเป็นจริงมันมันอยู่กับที่ไปไหนไม่รอดนะแล้วเกิดความรู้สึกเหมือนกับแย่ๆมันเหมือนคนจมน้ำจมลงไปในน้ำคือถูกกดหัวลงไปหรือว่าถูกรบกวนให้คันขยเยออมันมีหลายอาการที่เป็นภาพทางใจให้เรารับรู้ได้ คือคือพอเวลาเราแปะภาพเอ่อแปะป้ายว่าเนี่ยเขาเรียกอกุศลจิตเนี่ยเราเห็นต่อไปได้ด้วยว่าลักษณะในขณะนั้นเนี่ยของอกุศลจิตมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเหมือนคนกําลังวิ่งหนีเหมือนคนกําลังอยากตําดินหนีเหมือนคนกําลังนะโน่นนี่นั่นเออบางบางทีเนี่ยมันว่างๆขึ้นมาก็อยากกรีดอยากระบายอะไรออกมาดังๆอย่างเงี้ยนะคะ่ะมันมีหลายแบบที่เป็นอกุศลจิต ขอแค่ว่าเราเห็นเห็นตัวจริงๆของจิตว่าหน้าตามันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่มีภาพทางใจแบบนั้นอยู่มันจะเกิดส ต, ติตอนเนี้ยรู้สึกไหมว่ามันสว่างขึ้นเรื่อยๆค่ะความสว่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะที่ผ่านมาเราหมกอยู่กับอกุศลจิตมากเกินไปแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคนติดอยู่ในกรงว่าไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะออกไปไหนไม่รู้จะหลุดรอดไปได้ยังไง ถ้เสร็จแล้วมันก็เริ่มสะสมไอ้ความรังเกียจโน่นรังเกียจนี่จนกระทั่งมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกัไม่อยากชอบอะไรสักอย่างคือมันเต็มไปได้วยความไม่ชอบอไอ้ความรู้สึกไม่ชอบอะไรสักอย่างเนี่ยน้องลองมองดูภาพทางใจนะมันเหมือนก่คนที่ ไปติดอยู่ในเมืองอะไรสักเมืองนึงที่มีแต่ควันพิษรอบตัวเนี่ยเต็ไมไปด้วยเสียงลงเล้งน่าลาคานเราอยากออกจากเมืองนี้แต่มันออกไปไม่ได้ไม่มีพานะที่ไหนพาไปไม่มีตั๋วพาไปไม่มีเงินพอที่จะออกจากเมืองเนี่ยลักษณะทางใจเนี่ยมันเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันอึดอัดอยู่มันอุดอู้อยู่นี่พอเราเห็นอาการอุดอู้เห็นอาการอึดอัดหาทางออกไม่ได้ แค่นี้มันเหมือนยาประตูมันเปิดแล้วมันเหมือนทางออกอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เราเห็นว่าหน้าตาภาวะทางใจมันเป็นยังไงเกตนะค่ะ <c oughs> พอจะทำสมาธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะดูขึ้นต้นมาเนี่ยมันมีความไม่พอใจก่อนเพราะมันจมอยู่ตรงนี้มานานพอเราเห็นลักษณะความไม่พอใจตรงนี้ค่อยไปไล่ลสังเกตอย่างพี่ ไ, ไปตอนช่วงต้นเนี่ยนะดูไล่จากเท้าจาับมือมาคือเมื่อกี้เรานั่งไปนั่งแบบซึมๆคือจะมีอาการซึมอยู่ในอกุศลจนะิตเนี่ยแพอเราเห็นอาการของอกุศลจิตได้เหมือนภาพทางใจแล้วเราค่อยมาไล่ดูใหม่เราจะรู้สึกว่าเออมันโล่งขึ้นมันมีความสามารถพร้อมจะดูลมหายใจได้ต่อไปะนะคขอบคุณมากค่ะ ครับสวัอ่ีวันนี้ก็ครั้งแรกครับก็ยังถามตัวเองมาตั้งแต่ขับรถมาว่าได้อะไรบ้างเนอะจากวันนี้ <c oughs> นะแล้วก็พระปกับคนที่อ๋อลู้ละสวิตไม่ค่อยดีฮะเออเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วยอมรับว่าฟุ้งซ่านมากอาจจะด้วยภาราหน้าที่การงานซึ่งจะต้องคิดอะไรที่มันตลอดเปเปิงอยูตอ่ตลอดเวลานะฮะ แล้วก็ชอบนั่งสมาธิสดวดมนต์ไหว้พระธรรมปฏิบัติทำครบทุกอย่างก็ก็ดีใจอย่างหนึ่งว่าพอตั้งคำถามนั้นพอมาถึงพี่ตูนเริ่มจากฝ่ามื อ, อฝ่าเท้ามือหน้าเออมันทำลายความฟุ้งซ่านของผมได้มันทำลายทำให้ผมยังมีพอเวลาที่กลับมานึกถึงอนาปนสติมันนึกถึงลมหายใจของผมว่าเออพี่ไกลมาว่ามันยาวบ้างสั้นบ้างไม่ต้องหายใจบ้าง มันได้แต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งมันเข้ามาถึงข้างในมันจะเกิดคือยอมรับ ว, ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมันก็จะมีภาวะทางจิตใจที่มันมีความรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่อยากที่จะรับรู้อะไรหรือยอมรับอะไรมาติดตัวมาตั้งแต่มาถึง ม, มันมันเหมือนจิตเราจะรู้สึกคล้ายๆมีอะไรเปื้อนๆมีอะไรที่มันเหมือนกับไม่ไม่สมบูรณ์แบ บ, บไม่สะอาดอย่างที่เรา อ, อรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอมันคือคอไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยนะคความรู้สึกแย่ๆอะไรก็แล้วแต่ครับมันมันเหมือนปฏิกูลมันเหมือนของปนเปือเอ้อนอเพราะว่าใจเราถ้า อ, อ, อยากจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับโลกเนี่ยมันต้องเป็นความรู้สึกที่สะอาดครับก็เลยจะก็เลยอยากถามพี่ว่าเอ้ยแล้วผมจะจัดการก้อนเนี้ยยังไงเพราะว่า ตอนแรกมาถึงพอก็คุมตัวอยู่เข้ามันลึกถึงในความคิดมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่แผ่อยู่เต็มหัวอตรงนี้เ <ผม S 2> นี่ยผมก็เลยปั้นที่ที่พี่พี่พ<ป>ี่พูดมา่กี้เนี่ยว่ามันรู้สึกเหมือนมีอะไรเปือเป้อนๆอยู่อออืือคือพอเรามีภาพทางใจที่ชัดเจนครับว่าตอนเนี้ยเราคล้ายๆเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยสะอาดอยู่คือไม่ใช่หมายความว่าสกปรกครแบบอากุศลอะไรแบบนั้นนะแต่หมายความว่ามันไม่สะอาด เหมือนอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะสะอาดตัวนี้นจะเป็นภาพทางใจที่ชัดเจนว่าเราจะดูตรงไหนคือถ้าถ้าไม่ไม่มีภาพทางใจที่ชัดเจนอยู่ข้างในเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าจะดูโดยความเป็นยังไงเพราลักษณะของอารมณ์หรือลักษณะของความปรุงแต่งทางจิตเนี่ยมั น, ค, นค่อนข้างพิสดารการที่เราแค่รู้สึกผิด หรือรู้สึกแย่แตไ่ไอความรู้สึกตรงนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงไปเราเรามองไม่เห็นชัดเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้ดูไม่ได้รู้แต่ถ้าเราบอกตัวเองไว้เนี่ยมันคล้ายๆกับขยะตกรกระป๋ออะไรที่แปดเปื้อนจิตเราอยู่แล้วอะไรที่แปดเปื้อนนั้นมันหายไปเวลาที่มันหายไปเรารู้สึกสะอาดขึ้นมันจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างตอนเนี้ย ที่พอมันอ๋อแล้วเออมั น, ม, นมันเคลียร์ตัวที่เคลียร์ออกไปเนี่ยมันก็คือลักษณะความแตกต่างของจิตที่มันแสดงตัวให้เราดูนี่คืออย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนอย่างก่อนเข้ามาเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเราไม่ได้รู้แต่เราใจร้อนว่าอยากจะเห็นมันหายไปอยากรู้ว่ามันจะหายไปได้ยังไงมากกว่านั่นแหละ คืออยากจะให้มันห า, ายไปอยแ อ, อ่อะจะทำได้พอมาถึงปุ๊บมันจะช่วยผมได้ไหมอะไรอย่างนี้ครัเนี่ยลักษณะที่คือเราไม่ได้มีอาการยอมรับไว้ก่อนว่าเนี่ยอาการแบบนี้มันกำลังปรากฏอยู่มันมันมีความอยากรู้อย่างใช้ใช้คำของน้องก็ได้อยากรู้ว่าจะทำยังไงตัวอยากรู้ว่าจะทำไงมันไม่ไม่ไม่ยอมรับแล้ว มันไม่หอมลับสภาวะตรงนั้นแล้วเข้าใจไหมมันมันรอไปข้างหน้ามันเล็งไปข้างหน้ามันไม่ได้ดูไปตรงนั้นณนะจุดที่เกิดขึ้นณนะจุดเกิดเหตุมันมันรอไปเอาคําตอบข้างหน้าแล้วหรือว่ารอไปพยายามกําจัดในเวลาต่อมาไม่ใช่ในเวลานั้นแต่ถ้าอย่างเราคุยกันอยู่ตอนเนี้ไอ้นี่คือน้องดูในขณะที่มันกําลังปรากฏอยู่ตอนนี้เลย เวลาที่เกิดการยอมรับมันยอมรับเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่รอไปที่อื่นอีกครัเพราะมีแค่นี้นตรงเนี้ยว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นในขณะปัจจุบันบางทีเรารู้สึกแล้วว่าเนี่ยมันปรากฏอยู่เราเห็นแต่ไม่ยอมรับคืออาการทางใจมันต่างกันเห็นไ่มคือมันเห็นก็จริงแต่ไม่ยอมรับแล้วเราพยายามเออเนี่ยจากแต่รู้แต่จิตจริงๆเนี่ยคือคือคำสั่ง อาการของจิตจริงๆมันแตกต่างกันเราบอกตัวเองว่าเออเนี่ยเรารู้แล้วนะแต่มันไม่เห็นหายหรือว่าพยายามทําลายด้วยวิธีนั่งนึกอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จ น, นี่พี่ชี้แค่นั้นเองว่าในอาการน่าเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีอาการยอมรับพอมีอาการยอมรับมันเบาทันทีคือลักษณะของการยอมรับเนี่ย ขอให้มองไว้เลยว่าเป็นเครื่องหมายของสติเพราะคาว่าสติเนี่ยหมายถึงความสามารถที่จะระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันตัวนี้เรียกว่าสติแต่คนเนี่ยไม่มีสติมีแต่ความอยากจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้หรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ข้าใจพอยนะ สวัสดีครับก็เพิ่งเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับปกติไม่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเท่าไหร่แต่ว่ า, าคิดว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นตอนเวลาทํางานมากกว่ารู้สึกว่าบางช่วงที่มีสมาธิแล้วทํางานเนี่ยหัวสมองมันโปรง่งมันทําอะไรได้เร็วได้มีประสิทธิภาพแต่บางทีมันก็ไม่มีนะครับรับรู้ได้ว่าตอนนั้นมีมีสมาธิพรรู้สึกว่าเบารู้สึกสบายแล้วก็สามารถทําได้โดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย คราวนี้อยากอยากจะทราบว่ามั น, ม, น ม, มันมีวิธีไหนไหมที่จะฝึกให้เกิดสภาวะนั้นบ่อยๆอยเพราะผมรู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพมากอย่างเงี้ยครับ ออที่เห็นนะคือตอนที่เราทำได้เนี่ยเรารู้สึกมันสว่างมันเหมือนกับฉลาดมันเหมือนกับไหลลื่นความคิดมันไม่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขึ้นต้นมาก่อนทำงานเนี่ยมันมีความพร้อมมันเหมือนกับไม่มีเรื่องขัดแย้งในใจอยู่อย่างเช่นนะว่าไม่ได้ไปออกความเห็นตกเถียงกับใครมาไม่ได้ เออมีความคิดว่าเอ้ยเออมีอะไรติดค้างอยู่ในเฟซไหมอยู่ในเน็ตไหมอะไรต่างๆเนะีมันมันมีแต่ใจที่พร้อมโผลกัสแล้วก็เรื่องร่างกายนะมันมันรู้สึกตอนนั้นแข็งแรงแต่พอรู้สึกเหมือนกับอะไรอะไรมันติดติดตันไปหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากอารมณ์โทสะในทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นเพิ่งไป ออกความเห็นขัดแย้งกับใครมาหรือว่ามีความคิดติดวนอยู่ในหัวว่าเอ๊ะเราถูกหรือเราผิดเคยรู้สึกไหมเวลาที่ต้องมานั่งสํารวจว่าเอ๊ะความคิดเราถูกหรือเราผิดเนี่ยมันจะติดไปหมดเลยมีครับแล้วก็บางทีคิดทั้งวันเลยติด <ละ S 2> ในใจตัวเนี้ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออย่างกําลังคาใจอยู่กับคือกําลังกําลังขัดแย้งอยู่ระหว่างอยากสนุกแต่อยากทํางาน บางทีมันมาด้วยกันอยากบันเทิงด้วยนะอยากจะกระจุงกระจิงแต่ในขณะเดียวกันอยากจะสีเรียดทำงานอย่างเงี้ยบางทีไอความขัดแย้งที่ไม่รู้ตัวหรือขัดแย้งโดยไม่ไ อ, ไ อ, ไอความรู้สึกเหมือนกับติดขัดอยู่ข้างในที่เป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหะมันเป็นทั้งหมดที่ทำให้เราตีบตัน คือพอเริ่มต้นนั่งทํางานด้วยอาการที่ไม่รู้ตัวว่ามีอะไรขัดแย้งสะสมอยู่บ้างเนี่ยมันยิ่งคิดมันจะยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าใจไม่อยู่กับเ น, นื้อกับตัวนี้ถ้าก่อนทํางานเราสํารวจแล้วก็ เ, เห็นจะได้ไปตอนเนี้ยด้วยภาวะทางอารมณ์แบบเนี้ยถ้าไม่ด้วยติดใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าติดใจนะ ในเชิงแบบที่มันเป็นความยั่วยวนนะแล้วก็ไม่ก็เป็นไอ้เรื่องติดติดค้างโยกับข้อถกเถียงหรือว่าเอาถูกเอาผิดเราจะรู้สึกถึงภาวะทางใจที่มันปนป่วนอยู่ที่มันอึดอัดอยู่หรือว่ามันมีความไม่ตรงตัว มันมีความรู้สึกไม่ชอบเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยตัวเนี้ยเราก็สังเกตว่าพอทำงานเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกำแพงหรือเหมือนเครื่องกีดขวางไม่ให้หัวแลลนไม่ให้ใจเราเปิดนะสังเกตเป็นอาการทางใจไปอย่าไปอยากให้มันหายไปหรือว่าอยากจะให้หัวโล่งแล้วก็ฉลาดอย่างเดียวเพราะอาการอยากนั่นเองบางทีมันเป็นตัวตั้ง ที่ทำให้ไม่เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นตัวตั้งที่ทำให้เราสรุปแล้วเนี่ยติดอยู่อาการวอกไปวนมาเราจะเป็นคนที่รู้สึกดีถ้าไม่ปุงซ่านแต่พอปุงซ่านขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้สึกแย่ทันทีละเหมือนกับข้างในเนี่ยจะหาทางแก้อยู่ตลอดว่าทำยังไงจะหายปรงซ่านเพียงแต่ว่ามันไม่มีคำตอบที่เป็นหนึ่งสองสามนะเราได้แต่ แก้ความพุงซ่านด้วยอาการตั้งใจตั้งอกตั้งใจทํางานซึ่งมันยิ่งฝืนเข้าไปใหญ่ตอนแรกมันฝืดอยู่แล้วแล้วพอยิ่งฝืนทํางานมันก็ยิ่งพุงซ่านหนักเข้าไปนะพอเข้าใจกลไกการทํางานของจิตอย่างนี้มันก็จะได้อรู้จักยอมรับบ้างถึงแม้ว่าจะพุงซ่านถึงแม้ว่าจะรู้สึกอื่นอัดติดขัดยังไงก็แล้วแต่ในอกมันจะตีกันที่นงตรงนางหรือว่าในหัวเนี่ยมันจะพยายามเอาถูกเอาผิดอะไรก็แล้วแต่เราเออ่ ยอมรับสภาพว่าเนี่ยมันกำลังปรากฏสภาวะอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะโล่งคห้ายๆอ่าเงี้ยคือเห็นหมมันไม่ได้โล่งทั้งหมดทีเดียวนะมันยังมีอะไรติดค้างอยู่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยใจมันเริ่มเปิดด้วยอาการที่ใจมันเริ่มเปิดแล้วก็ไม่เค้นไม่คัน้นไม่คาดคันกับตัวเองมากจนกระทั่งมันเป็นคลืน่นรบกวนตะเองเนี่ยนะมันจะเริ่มทำงานอย่างเป็นขัน้นเป็นตอนคือไม่ได้เริ่มทางานด้วยโทสะ แต่เริ่มทำงานด้วยความรู้สึกที่เออพร้อมจะยอมรับสรุปง่ายๆเป็นคำสั้นๆก็คือถ้าเริ่มต้นทำงานด้วยโทสะมันมันก็จะไปตามเส้นทางของความติดตันแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการทำงานแบบยอมรับสภาพนะมันจะค่อยๆโลง่งมันจะอาจจะไม่โล่งทีเดียวตั้งแต่ต้นแต่มันจะค่อยๆโล่งขึ้นเรื่อยๆตามเวลาตามนาทีที่ผ่านไปนะ สวัสดีค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะตะก่อนนะคะเวลาที่นั่งสมาธิก็จะนั่งแบบดูลมหายใจตัวเองอะคะ่ะแล้วก็จะรู้สึกสงบแล้วก็นั่งได้อย่างสบายค่ะแต่ว่าพอพักหลังๆเราจะรู้สึกอึอดอัดมากเลยทั้งอยากนั่งให้สงบแล้วก็อยากที่จะดูลมหายใจให้เห็นนะคะยิ่งนั่งก็จะยิ่งอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ออกจน ต้องมาเปิดธรรมะฟังควบคู่กับการนั่งสมาธิไปด้วยค่ะต้องแก้ยังไงบ้างอะคะ คือไม่ใช่เริ่มต้นได้คำถามนี้ว่าจะแก้ยังไงถึงจะกลับไปนั่งสมาธิได้ดีเหมือนแต่ก่อนนะน้องต้องเข้าใจอารมตัวเองนิดนึงคือมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายอยู่แล้วมันพลิกจากสุขเป็นทุกข์พลิกจากสบายใจอยู่ดีๆไปคิดมากเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าคนรอบตัวเรามันชวนคุยเรื่องแบบทาให้กังวลไปล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ ไปคิดเรื่องคนอื่นเนี่ยบางทีละใจเราเนี่ยมันมีสองแบบบางทีเราก็เต็มใจคิดตามเขาพูดไหลไปตามเขาแต่บางทีมันก็รู้สึกเฮ้มันไม่ไม่อยากไปเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือมันมีสองอารมณ์สองอารมณ์เนี้ยมันขัดแย้งกันได้แล้สะสมเป็นความรู้สึกอึดอัดมากขึ้นได้ เข้าใจคำว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องไหมบางทีบางทีเราเรารู้สึกเหมือ น, นว่าไอเนี่ยไม่เห็นต้องคิดรู้สึกอยู่ในใจลึกๆนะไม่เห็นต้องคิดก็ได้แต่มันก็เก็บมาคิดนี่แค่นี้เป็นความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความบิดอัดได้ก่อนนั่งสมาธิแล้วพูดง่ายๆก่อนนั่งสมาธิมันมีความอิดอัดมันมีความเป๋ไปเป๋มาตามคลื่นรบกวนในสมองอยู่แล้วก่อนหน้า พ อ, อนั่งสมาธิเนี่ยเราค่อยไปเห็นมันถึงไอ้ความขัดแย้งถึงไอ้ลักษณะที่มันปั่นป่นปวนอยู่ข้างในมันไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิถูกหรือผิดแต่นี้เราต้องดูจิตที่มันดำเนินไประหว่างวันเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตระวางวันเนี่ยนะมันประมาณที่หกชั่วโมงต่อวันคนทั่วไปถ้าหากว่า เรานั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงแปลว่ามีเวลาสิบห้าชั่วโมงครึ่งที่เราไปทำอย่างอื่นหรือไปสะสมพฤติกรรมทางจิตในแบบอื่นที่ไม่ใช่นั่งสมาธินี่ถ้าเราสำรวจคืออย่างที่พี่เห็นเนี่ยคือคนรอบตัวเรามันคุยกันแบบผู้หญิงอ่ะ ใช่ค่ะมันมันผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็จะมไม่นินทาคนโน้นคนนี้ก็นะจะแบบเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาใส่หัวเมาสกันตลอดเวลาค่ะนะแลบางทีเราก็สนุกไปกับเขาบางทีเราก็ารู้สึกเฮ้ยพูดทำไมเนี่ยอะไรแบบนี้วนไปวนมาอยู่นั่นเนี่ยนะแล้วก็แต่เนื่องจากรู้สึกเซฟตรงนั้นไง เรารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนนะนี่ครอบคนฉันใดก็ได้เป็นคนฉันนี่คือบางทีอาชีพมันพาไปเข้าใจเข้าใจโอเคก็เห็นอยู่ว่าเนี้ยคนเพื่อนในอาชีพนั่นแหละนี่ประเด็นคือพอเราทําความเข้าใจเป็นภาพรวมอย่างนี้มันก็จะเกิดมุมมองอีกมุมนองหนึ่งนะ จำได้ไหมเมื่อกี้ตั้งต้นขึ้นมาเราถามพี่ว่าจะทําไงให้กลับมาสงบค่ะในการนั่งสมาธิค่ะตอนหลังๆนั่งแล้วอึดอัดตอนหลังๆนั่งแล้วรู้สึกปั่นป่วนค่ะจริงที่พี่พูดก็คือว่ามันไม่ได้ตอนหลังๆมันหนักตอนหลังๆมันปั่นป่วนมันปั่นป่วนอยู่แล้วคือไปรับคลื่นความปั่นป่วนมาสิบห้าชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วเสร็จแล้วเราจะมาใช้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นตัวฟอกนะ เป็นตัวทำความสะอาดชำระล้างอะไรให้เสร็จสิ้นแล้วก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะดีไปในครื่องชัง่วโมงตอนหนึ่งวันเห็นไหมมันไม่สมเหตุสมผลน้ำหนักมันไม่ได้เราเราเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าทีต่อไปในระหว่างชีวิตประจำวันเนี่ยอ่มันจะปรับไปนิดนึงโอเคเรา<ฆ>ไม่สามารถที่จะเลิกคบ คนที่เป็นนกกระจิบนกกระจอกรอบตัวน ะ, ะแต่เรามีวิธีใหม่ที่จะรับมือกับนกกระจิบนกกระจอกเหล่านั้นเรา <c oughs> คือเราไม่ต้องไปปี๊บปี๊ ป, ปตามเขาก็ได้คือบางทีเนี่ยเราให้สติเขาบ้างค่ะเรารู้สึกไม้มบางทีเนี่ยเราเห็นนะว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ต้องพูดซ้าก็ได้ค่ะแต่ที่ผ่านมาเราตามใจเราปล่อยตามหรือไม่ก็เออ อ, อ อย่างมากก็<ฆ>ฉีกยิ้มรับเนี่ยว่าโอเคเข้าใจว่าเพื่อนเราเขาเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดอย่างนั้นค่ะ<ฆ>นี้ถ้าเราเปลี่ยนท่าทีใหม่คือแค่คิดว่าเราจะให้สติเขาบ้างเออไอตรงนี้พูดซ้ําแล้วเราฉีกไปเรื่องอื่นบ้างก็ได้อืม<ฆ>หรือพูดเรื่องที่เขาคาดไม่ถึงเมื่อไรจะพูดนะพูดเรื่องสติพูดเรื่องนะ มันดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมบางทีหนูก็คอยตามเขาอ่าคือคือพูดเรื่องว่าเฮ้ยพูดพูดตรงเนี้ยมันพงซ่านว่ะอะไรแบบเนี้ย<ฆ>คือคือแก้งพูดมันไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิก็ไท้เฮ้ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันมันปั่นป่วนเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เออคือคืออย่างน้อยมีการเบรกด้วยท่าทีที่เราเบรกคนอื่นด้วยท่าทีที่มันเฟรนลี่นะไม่ใช่ท่าทีแบบเฮ้ย่าไปสอนเขาหรือว่าจะไป เออนี่ชั้นไปนั่งสมาธิมาอย่ามาลบควรจิดใจชันอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เขารู้สึกเป็นลบนะคือคือก็แค่ประมาณว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเอออย่างเงี้ยคือมันมั น, ม, นมันเป็นไปได้แล้วมันตรงกระจเราลึกๆด้วยเพราะคนที่เคยนั่งสมาธินี่ยนะมันไม่ชอบหรอกอะไรที่มันแบบยุกยิบ ย, ยุบยิบอยู่แบบเหมือนอ่า นะนกกระจิบนกกระจอกมาพูดอยู่ในหัวเราเนี่ยเราจะ เ, าเป็นพอพอเริ่มต้นเนี่ย<ม>ว่าโอเคเราเราอย่างน้อยเนี่ยเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะไม่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบหักหักดิบแต่ว่าค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ชวนคุยคือเตรียมท็อปปิกไว้เลยเนี่ยว่าถ้าเอาแล้วนะเข้าเข้าขั้นนั้นขึ้นมาเนี่ยเร า, าจะงัดท็อปปิกนี้มาใช้อ่า ถ้าถ้าเป็นได้อย่างเนี้สติมันจะเริ่มเริ่มได้ได้จุดเริ่มต้นแล้วกเ็เวลาสวดมนต์คืออย่าเป็นพวกอธิษฐานขอหรือว่าอย่าเป็นพวกคาดหวังะอะไรจากการสวดมนต์นะให้ถ้าจะคาดหวังถ้าจะขอขอเดี๋ยวนั้นเลยคือว่าสวดมนต์แล้วเนี่ย ให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขกับการสวดเปล่งเสียงไปแค่ไหนเราจะใช้แก้วเสียงนี้บูชาพระเราจะมีความสุขกับการใช้แก้วเสียงนี้บูชาพระเอาแค่ความสุขตรงนั้นเพราะบางทีมันเหมือนกับเหมือนกันในขณะสวดนะ่ะเรายังคิดคิดเรื่องอื่นอยู่มันมันไม่มีความสุขอยู่กับการสวดจริงจริง คือครๆอยู่กับคลื่นความปรุงสัง้นนะในในการสวดเนี่ยเราสวดเต็มเ็มเสียงไปเลยอิติปิโสพระกวาระหังสัมมาสัมพุธโธแล้วก็รู้สึกถึงความสุขที่ได้เปล่งเสียงและรู้อย่างรู้ว่าเนี่ยที่เราเปล่งเสียงเนี่ยเป็นการเปล่งเสียงบูชาพระรัตนตรยัยค<ะ>่ะแล้วก็มีความสุขพยายามมีความสุขกับมันพยายามมีความสุขกับการเปล่งเสียงไม่งั้นเนี่ยคลื่นความคิดจะพาเราไปเรื่อยนะสวดเสร็จ บ, บางทีก็ อาจจะไม่ได้อธิษฐานอะไรทุกครั้งหรือว่าตั้งความคาดหมายอะไรแต่เอ่อมันความคิดมันจะไม่อยู่กับบทสวดนะอาจจะเหมือนกานบางทีเนี่ยประมาณว่าเรายังหวังโน่นหวังนี่จากการปฏิบัติอะแทนที่จะหวังที่จะได้สุขเดียวนั้นเลยหวังที่จะได้เออ่ เห็นความไม่เที่ยงของภาวะอย่างที่พี่สอนมา ต, ตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่การไกด์เรื่องสมาธินะตรง น, นี้พอเราเข้าใจภาพรวมแล้วก็เอาไปลองทำดูใหม่ทีละสะเต็ปทีละทีละขั้นทีละตอนนะจากเรื่องพูดระหว่างวันนะีมาเรื่องของการสวดมนต์เอาความสุขในการเปล่งเสียงตวเ น, นี้เวลากลับมาทำสมาธิอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออไอ ภาวะที่มันเป็นอุปสรรคมันหายไปมันเหมือนกับมีความพร้อมที่จะนิ่งกลับมาใหม่แล้วปกติเวลาที่หนูนั่งสมาธิอะค่ะหรือว่าแบบนั่งกับเพื่อนเพื่อนก็จะเปิดธรรมะฟังกันไปด้วยอะค่ะแล้วเวลาที่นั่งสมาธิแล้วเสียงของพระเทศก็จะเข้ามาแล้วหนูก็จะคิดตามพอคิดตามแล้วก็จะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าบางทีพยักหน้าหรือว่า อมยิ้มไปกับเสียงที่พระเทศอะไรเงี้ยค่ะจนมารู้ตัวอีกทีก็คือพยักหน้าไปแล้วอะค่ะอันนั้นคือการฟังธรรมเฉยๆหรือเปล่าคะถ อ, อไม่จาเป็นต้องไปคาดคันตัวเองให้รู้ทุกกะดิกนะ เอาแค่ว่าเราพยักหน้าไปแล้วแล้วรู้ว่าพยักหน้าแค่นั้นก็เรียกว่าสติแล้วหรือถ้าหากว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรียบบทปัจจุบันแต่ว่ายังติดตามเนื้อหาธรรมะได้ต่อเนื่องนี่ก็เรียกว่าสติเช่นกันแล้วก็เวลาที่เราจะนั่งสมาธิไปด้วยหรือว่าฟังเทศไปด้วยเนี่ยนะสิ่งที่มันควรเกิดขึ้นคือสารวจใจของเราเองว่ามันมีอาการ ที่ไม่วอกแวกไม่ซัดสายหรือเปล่าถ้าวอกแวกถ้าซัดสายเรายอมรับตามจริงไปแต่ถ้ามันมีความนิ่งมีความตั้งมั่นดีแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่าเออที่มันนิ่งที่มันตั้งมั่นเพราะว่ากำลังโฟกัสอยู่กับบทเทศหรือว่าโฟกัสอยู่กับลมหายใจ<ฮ>ะนะมันอันนั้นแหละถึงเรียกว่าเป็นการรู้แล้วก็ถ้าให้ดีคือเราสังเกตไปด้วยนะว่าไอ อาการทางใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเดี๋ยวมันก็วักแวกแอะเป๋ไปเนี่ยมันต่างกันยังไงดูอาศัยลมหายใจในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นเป็นเครื่องสังเกตนะขอบคุณค่ะหนูอยากจะบอกพี่ว่าพี่เป็นไอดอลของหนูมากเลยค่ะเพราะพี่เป็นคนที่พาหนูเข้าสู่ประตูธรรมะเลยนะคะขอบคุณค่ะ เคยมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีคำถามค่ะฟังแล้วมีความสุขเดียว <laughs> พอน <laughs> โอเคอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะที่มาร่วมสนทนากาันครับสวัสดีครับ